ครั้งแรกนะที่มาจัดปฏิบัติธรรมทีส่สวนทำอะไรจันไม้หอมหรืออะไรใช่ไหมจันไม่หอมไม่รู้เขาตั้งชื่อนี้ยังไงนะไม่รู้ที่ไปที่มา <c oughs> ของคุณพันเนี่ยลำพูนนะ โยมเพื่อเมืองใช่ไหมโยมเพื่อเมืองนะลำพูนนี่ก็รู้จักแต่สุสีไทย์โหนะเจ้าแม่จามเทวีของประเทศไทยสุสีเป็นกษัตริย์ผู้หญิงไง เก่งสามารถแต่น่กก็ไปเรื่องโลกโลกนะอันนี้เร า, าพูดถึงเรื่องกันปฏิบัติธรรมมเนี่ยนี่วันแรกก็ค<ถ>งดำเนินไปถึงวันที่ก็เจ็ดวันละจากวันสิบสามไปวันที่ยี่สิบนะฮะอย่างท<น>ี่ท่าน อรราจารย์ทวินได้กล่าวได้เกลืนไปว่าวิธีการเจริญสติสแนวนี้นี่นเน้ น, นคนจริงเลยเน้นคนจริ ง, งรมาฝึกกันจริงๆแล้วนั่นเองคนจริงเขาจะรู้ของจริงคือทุกวิธีที่ปฏิบัติทำก็ก็ดีหมดนะถ้าเป็นการเจริญสตินะ ถ้าไม่เจริญสติก็ไม่ใช่วิธีของอที่จะค้นหาตัวสัจธรรมนี้แต่ถ้าเจริญสติก็ถูกเพียงแต่ว่าจะเอาจริงไหมาการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ระยะเจ็ดวันอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะเน้นการฝึกกันจริงจริงจัง ๆ, ๆถ้าเป็นทหารก็คือเป็นหน่วยกล้าตายคือกล้าพิสูจน์ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านบอกว่าเจดวันเนี่ยสามารถดับทุกได้ถ้าคนมีปัญญาเยอะนะสามารถระลึกตัวรรู้ตัวได้ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเกิดปัญญาดับทุกได้แต่คนถ้ามีสติรองลงมานะก็เป็นผู้ดับทุกได้มากน้อยตามลำดับจนกระทั่งสามารถตั้งอยู่ในใจสรณคม คือมีพุทธธรรมสังคะเป็นสภาวะบริหารกายกับจิตก็จะมีชีวิตที่อยู่แบบไม่หลงงมงายเป็นชีวิตที่มีธรรมะเป็นสิ่งที่ประคับประคองชีวิตเมื่อทีเราทั้งหลายเกิดมาเป็นพุทธิษสนิกชนเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้ซ้ำไปว่า พุทธธรรมเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นวันนี้เราก็เรียนกันตั้งแต่พื้นฐานไปเลยนะคนใหม่ก็มีมนคนเก่าก็มีนะมเราอยู่ด้วยกันประมาณสี่สิบห้าสิบคนเนี่ย<ม>ปีแรกจัดปฏิบัติธรรมที่นี่คนสนใจมากขนาด น, นี้ก็ถือว่าโอ้ถือว่าเยอะนะเยอะสสำหรับคนเอาจริงนะนงนะแต่ท้าคนไม่จริงเนี่ย ก็ไปเปิดอบรมที่นั่นที่นี่เาก็คนก็เยอะนะเป็นร้อยเป็นสองร้อยแต่ก็คนมันไม่จริงเนี่ยทำไงแต่เดือนเมษาปกติที่วัดป่าสมพนัสสกลนครที่พวกอาตมาอยู่นั่นก็ก็สามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยแต่ก็ไม่มีใครลากลับนะคือส่วนว่าคนมันจริงจังไปฝึกอยู่แล้วมันตั้งใจไปสู้อยู่แล้ว ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่นี่เป็นมือใหม่ๆหลายๆคนอัจนไม่เคยพอมาปฏิบัติทมเจอวิธีการหนักๆสู้กับความคิดสู้กับอารมณ์อย่างบางทีมันสู้ไม่ได้ก็ถอยนะใจมันไม่สู้คือจะมาชวนตีกับกิเลสนั่นเองเดี๋ยวนี้ง่ายๆนะใครใครอยู่นะแต่ก็จะมีหลายๆคนถูกไล่ลงเวทีว่าทำเล่นแต่่าคุณก็ทาจริงอยู่แต่ก็แพ้ตลอดเห็นหวันนี้ เราลองทําดูประมาณสักชั่วโมงง่วงเงาเบื่อก็ทั้งนั้นนั่นแหละสติที่เรามีทํางานได้แค่นั้นมันสู้กับความคิดสู้กับความง่วงอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเรารอสะสมมาในมีิติกิเลสนะแล้วเราจะมาใช้เหตุผลกับกิเลสได้หรือไม่ได้นะอย่างความง่วงเนี่ยหาเหตุผลมันดูดิไม่ได้ความเบื่อเนี่ยหาเหตุผลมันก็ไม่หยุดเบื่อนะขี้เกียจหาเหตุผลเนี่ยมันก็ยาก มันก็ยังอยู่ดีอะ่ะนั้นมันต้องเกิดปัญญาชนิดหนึ่ ง, ท, งที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่สุตมยปัญญาไม่ใช่จินตมายปัญญาแต่เป็นภาวนาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเฝ้าดูเกิดจากการระลึกรู้สภาวะธรรมภายในต้องมีตัวระลึกรู้รู้ตัวรู้นี่ก็ต้องมีความเข้มแข็งมั่นคง จะวทั้งมากกว่าสภาวะที่จะเป็นสติธรรมดาที่คนทั่วๆไปมีคือคนทั่วๆไปนี่เขาก็มีนะมีสภาวะที่จะมาต่อสู้กับอกุศลธรรมหรือความคิดฝ่ายต่าๆเนี่ยแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับสัญชาตญาณอย่างความคิดความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นคนหลายๆคนเวลาทวนกระแสก็ได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน ทำการทํางานเนี่ยสามารถพัฒนาชีวิตขึ้นมาได้มีเงินมีทองมีข้าวมีของได้นะอยู่สุขสบายอยู่กินสะดวกแต่ถามว่ายังมีความโลภโกรธหลงไหมมียังมีความโลภโกรธหลงอยู่ร่ํารวยขนาดนี้ก็ตามเพราะว่ามันไม่ใช่การพัฒนาสติหรือไม่พัฒนาจิตตามหลักของพุทธธรรมไงมันเป็นการพัฒนาชีวิตตามโลกโลกแนวโลกโลกที่เขาพัฒนากัน เงนินถ้าต้องเข้าหาของเนี่ยตนนแต่ความโกรธโลภหลงยังมีอยู่ ย, ยังเกิดอารมณ์อยู่ ห, หงุดหงิริงุ่นงานว่วงเง า, า ก, กระทบกระทั่ ง, งมีปัญหาตลอดเวลาค<ะ>ือไม่พ้นจากอารมณ์มันี้ไปได้จึงมีพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นปัญหาชีวิตอันเนี้ยมันเป็นปัญหากับชีวิตความโกรธความโลภความหลงเนี่ยถ้าเลยไปปฏิบัติธรรมเพราะไปปฏิบัติธรรมก็เกิดค้นพบสภาวะ ที่สามารถไม่ให้ความโกรธความโลภความหลงนี่เกิดเกิดขึ้นในใจอีกนะท่านถึงบอกว่าท่านเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพ้นจากการเกิดแล้วคือเกิดทุกข์น่ะทุกข์มันไม่เกิดอีกแล้วในใจท่านของเรานี่เกิดแล้วเกิดอีกนะวันนี้ก็เกิดทุกข์พรุ่งนี้ก็จะเกิดดันเดิมเรื่องเดิมน่ะมันดับไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านดับอันนี้ได้ ไม่เกิดความโกรธอีกท่านว่าการเกิดความโกรธเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายความร่วบความหลงเกิดทุกเนี่ยคือพุทธศาสนานี่เราจะเรียนว่าท่านสอนในเรื่องทุกเนีทุกทั้งนั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านก็ไม่ได้สอนเรื่องอื่นสอนในเรื่องทุกแต่ปัจจุบันเราเราคล้ายๆจะสอนเรื่องทุกแต่ว่าการเกิดของเรานี่มันเป็นเกิดเรื่องพบเรื่องชาติเกิดชาติที่แล้วเกิดอะไรไปเนี่ย ลืมตากว้างๆนะโยมอย่าให้มันง่วงมองไกลๆสายตามองไกลๆมองเพดานมองอะไรก็ได้นะแล้วมันจะโล่งๆขึ้นถ้ามองต่ํำๆเนี่ยมันจะง่วงจิตเราเวลามันสงบเนี่ยมันจะไม่มีกําลังแต่อันนี้เขาให้สงบแบบมีสมาธิมีตัวระลึกรู้อเนี้ยนะพอเรามันสงบปุ๊บมันไม่มีกําลังไม่มีสมาธินี่เป็นแกนมันจึงวุบลงไปสู่ความง่วงเลยปัญหาเน เพราะเพราะว่าสมาธิอันนี้มันเป็น <spe ak> มิจฉาสมาธิอยู่มันไม่ใช่มีสัมมาสมาธินะมันไม่ได้เกิดสมาธิ <spe ak> เพราะการ <spe ak> ไปดับทุกข์ได้ อ, อืมทุกข์มันไม่ได้ดับไปแต่ว่ามันผ่อนคลายลงนิดเดีเมื่อเคจมวูบลงไปนั้นลืมตากว้กวางๆมองไกลๆพรุ่งนี้ตอนเช้าใส่แว่นตาดำมาแล้วพระจะไม่เห็ น, น <laughs> แต่งั้นมันก็เห็นกันอยู่เรื่อยนี่แหละก็ต้องท้วงกันนะ พระพุทธองค์ท่านไปเห็นเห็นสภาว่ของทุกข์โอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วดับทุกข์ได้เพราะดับแล้วท่านก็อกโอ้ไม่มีเกิดไม่มีตายและทุกข์ในใจเนี่ยหายไปละดับทุกข์แล้วเพราะดับทุกข์ได้ท่านก็มาประกาศพรหมมจันทร์ประกาศพรหมจันย์คือประกาศสภาว่าจิตที่มันมันไม่มีทุกข์นะมันดับทุกข์ได้สนิทมันเป็นพรหมมจันทร์มันบริสุทธิ์แล้ว ไม่มีความโลภโกรธหลงเข้าไปยุ่งกับจิตเนี่ยทั้งมาประกาศพมจรรย์สาวกทั้งหลายก็ปฏิบตรรัติทำต่อกันเรื่อยๆกันมาเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องของงมงายหรือไม่ใช่เรื่องของอะไรสักอย่างอะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่ค้นเห็นทั้ง<ต>ว่าคนทุ<อ>กคนก็สามารถปฏิบัติได้นะหลวงปู่เตียนจะพูว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราตะถาคุะ ถ้าทำรู้แจ้งก็เหมือนกับที่พระพุทธตาฐานโคตรู้ตาฐาคตรก็คือสภาวะที่มันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รู้นะเราทั้งหลายเหมือนเราตาาคตรถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้อเขาเหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่มันไม่รู้เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้เราก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ไม่รู้ แต่พอพระพุทธเจ้าท่านรู้พุทธะตัวเนี้ยมันรู้ขึ้นมาเราปฏิบัติเราก็เอาตัวสติไปรู้ๆจะเกิดรู้เหมือนพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเนี่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ไปทําแล้วมันเกิดขึ้นมาเฉยเฉยนะไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่เนื่องจากว่ามันผิดมันผิดมันเพียนไปเยอะปัจจุบันเนี่ยพะคนปฏิบัติทําแล้วมันมันไม่เข้าถึงน่ยหรือไปหยิบเอาสมาธิแบบพราหมณ์นะ แบบวิธีการสมัยโบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านออกไปหาปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีของพราล์ของฤื่สีที่เขาปฏิบัติธรรมามาก่อนแล้วก็ไปฝึกแบบนั้นอดข้าวอดน้ํำไม่กินข้า ว, าวกินน้นะํากิดข้าวมเมล็ดหน Lane ึ่งอย่างเนี้ยกัดลมหายใจในตำราเขากินมูลนกกินอะไรต่างๆ ต, น, ต น, นี้เล็กๆล็้น้อยไปคือเหมือนไม่กินข้าวแต่ทุกมันก็ไม่ได้ดับก็ยังมีความโลภโกรธล้งยังคิดถึงบิมพาราหุน ยังฟุ้งซ่านอย่างไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการฝึกจิตอดข้าวอดน้ําเกือบตายอย่าว่าแต่กินเจเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยอดข้าวเกือบตายถามว่าได้บรรลุทํามไหมไม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยนะแต่พอมาเฝ้าดูความคิดความคิดมันจะแวบไปแวบไปแวบไปโอ้ความคิดมันเป็นอย่ไหนเนาะนะ เรามายึดติดแบบนี้นั้นมันเข้าไปเพราเราเห็นความคิดพุ๊สติที่ฝึกบ่อยๆและลึกรู้บ่อยๆเนี่ยมันเห็นความคิดนั้นดูปรากฏการณ์ว่ามันเกิดยังไงมันไปปรุงยังไงมันรักยังไงมันชอบยังไงมันแวบกลับขึ้นไปหาพระนครหาพิณฑบารางหุ่หาโนู่นานี่มันคิดไปยังไงนึกแบบนี้ยเฝ้าดูอยู่บ่อยๆเข้าไบ่อยเข้าไปบก็ไปเห็นพอไปเห็นเนี่ยมันมันเหมือนกับตัวรู้เนี่ยถ้าเราฝึกนานๆเนี่ยมันจะเหมือนไฟอะ มันไปถูกความคิดเข้าพวกมันจะเกิดการหดตัวขึ้นดีความคิดเนี่ยมันเกิดการหดตัวแล้วมันจะเกิดสว่างเกิดแจ้งขึ้นมาแต่ว่าตัวรู้นี่มันต้องเข้มแข็งหน่อยแล้วก็เกิดปัญญาตรงนั้นเรียกว่าปัญญาคือมันสามารถสลายไอ้ความคิดที่มันชอบคิดไปีนได้มันปรุงแต่งไปีนได้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะเมื่อก่อนอดข้าวอดน้า อดทนอดกลั้นทรมานตัวเองเป็นอัตตะกิลมฐานุโยกไม่เกิดประโยชน์เลยนะฮะเราก็เคยได้ยินได้ฟังนะหกปีนี้เกือบตายแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่พอมาเฝ้าดูคืนเดียวเท่านั้นเองเกิดการรู้แจ้งเห็นสัจธรรมเกิดปุเพนิวาสานุสติญาณในเบื้องต้นจุตุปัตยานตอนท่ามกลางแล้วสายสายมาสว่างมาก็เห็น อาสวัคยยานดับสิ้นไปท่านก็เอานี้มาเผยแพร่กับคนทั้งหลายให้ได้รู้ได้เห็นต่้งแต่เจ็ดปีคนโง่ที่สุดนะกลางๆคนไหนทําต่อเนื่องประมาณภายในเจ็ดเดือนก็จะเห็นที่สุดคนที่มีปัญญาเยอะประมาณภายในเจ็ดวันน่ะสอนตอนนี้บางคนสอนตอนเช้าบรรลุทําตอนเย็นบางคนสอนตอนเย็นบรรลุทําตอนเช้า ตำราพระพุทธเจ้าท่านสอนคนนะคือสามารถเข้าถึงทําได้โดยไม่ยากแต่ปัจจุบันนี้เราปฏิบัติทำก็จะเป็นอะไระสร้างสมบา ร, รมีไว้ชาติหน้าชาตินน้นชาตินี้ไปเรื่อยเแล้วมันเลยผิดเพี้ยนไปเรื่อยเรื่อสอนพระพรุทธเจ้าเนี่ยแต่ที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันเข้าใจผิดไปเรื่อยเรื่อย ชาติของผู้เที่ยวท่านพูดดีแบบหนึ่งแต่เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็หมายความถึงแบบพบชาติที่ตายแล้วเกิดแบบนู้นแบบนี้ไปซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไปแบบนั้นเลยนะเวลาเราศึกษาจริงๆเราจะเข้าใจสัจธรรมมีหรือไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพราะไม่ที่เกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์อะเนี่ยแต่ที่ท่านจะสอนเรื่องการดับทุกข์มันมันจะยากหน่อยโยมเพราะไปฟังไปศึกษาไปนะ ที่นี้เราก็มาที่นี่จะมาทดลองวิธีการฝึกสติด้วยการเฝ้าดูเอ๊ะเฝ้าดูนี่เฝ้าดูยังไงเนาะบางคนก็ไม่รู้นคือธรรมะของวุญญาณนี่พูดแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมืนสี่พันเรื่องคือมันเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่ความจริงนะแปดหมืนสี่พันเรื่องเนี่ยมันเป็นเป็นสำนวนนแปดหมื่นสี่พัน พันอย่างคืออินเดียนี่อะไรเยอะๆเขาจะพูดดันดีว่า 84% ดหมนส่พันอินเดียอะไรเยอะๆมันมากมายพระเจดีในประเทศอินเดียมีมากมายแป0หมสี่พันเขาจะพูดดันดีถ้าคนชั่วๆก็เหมือนกันทําชั่วช่วยยังชั่วมันโจรห0าร้อันดีจริงๆก็มาคนเดียวนั่นแหละแต่มเขาเรียกว่าโจร500รอคืออะไรก็ตามเขาจะพูดแบบนั้นเป็นสำนวน นั้นคาสอนที่เยอะๆ เ, ะเขาก็แปดหมืนสี่พันแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงบางทีมันจะมากกว่านั้นแต่คนรวบรวมมันก็รวบรวมได้ไม่ถึงแต่ประมาณนั้นนี่ทีนี้เรามาปฏิบัติทำในแปดหมืนสี่พันเรื่องแปดหมืนสี่พันันเนี่ยพราพุฑยาว่ารวมลงในความมีสติในความไม่ประมาทอ้าที่แรกก็ยอดหน่อยนะ มาจากอะไรอ่ะมาจากรวมลงในมรรคมารวมลงในศีลสมาธิปัญญาย่อเข้ามากืรวมลงในการไม่ประมาทขาดสติลืมตากว้างๆนะโยมนะมันเริ่มอลาวาสแล้วนะัตัวง่วงเนี่ยดูพระนี่ดูพระเนี่ ย, พ, ยพวกที่ได้ i อ o โอเรม ว่าจะพาปฏิบัติถึงหกทุ่มอยู่นะวันนี้เดี๋ยวเพิ่งหลับอ้าป่ากกว้างๆมองไกลแอบเข้าไปยิกตัวเองอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกแต่มันก็ตื่นเองแหละอาศัยเวทนาสู้มันเพราะว่าตัวรู้เนี่ยมันยังไม่มีมันไม่พอที่จะสลายมันก็จะง่วงเหงาเห็นไหมเกิดมานี่มีตาดวงเดียวก็เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยกิเลสอารวาสตามันยิกตาเอาจิกตาเอา เลื่อมตากว้างๆมองไกลๆหายยาวๆคนที่เคยเป็นผ่านวัดโสมนันมามันก็ไม่กลัวแล้วเนาะมันก็ทำได้แต่คนไม่เคยก็อันตรายหน่อยนะคือยังไม่เคยสู้มันเน่มองไกลๆใครทำได้นี่จะมอบเหรียญทองให้เนี่ย อาจจะค่อยๆเทศไปนะค่อยๆพูดคุยไปนะปลูกไปด้วยประมาณเนี้ยโยมก็อ้าปากขึ้นหน่อยยิ้มยิ้มเย้มเย้ยตาก็ลืมตาขึ้นหน่อยอืมองไกลๆหายใจยาวๆพวกง่วงส่วนมากจะไปนั่งข้างล่างแหละมันไม่ค่อยเห็นเขานี่ยนะเขาหลับได้ที่โยมมันโง่มันไม่ฉลาดพรโว่ขึ้นมานั่งข้างบนดันหลับซะลุ้รูุ้นพวกนี้มาเร็วๆแต่เช้าแล้วก็รีบนั่งอยู่ข้างล่างจองไว้ ให้พวกที่นั่นขึ้นมาข้างบนก็ได้หรือถ้าคิดว่าเอ้ยเราสติปัญญายังไม่เข้มแข็งไปอยู่ใกล้ๆครูบาจารย์แล้วท่านจะได้ปลูกท่านจะได้ดูแลเอาใจใส่ไม่ต้องโกรธต้องเกลียดละไม่ต้องคิดอะไรอะไรประมาณนั้นได้อันนั้นจะก้าวหน้าไวจะเห็นทําเร็วอนี้นะจะไหวขึ้นแต่ถ้ายิ่งใชยาสีฟันไกลห่างอันตรายหนอนไปไกลเลยวันพรุ่งนี้อาจจะเห็นสามคนนะข้างบนนี่นอกนั่นก็อยู่รอบๆบริเวณนี้ทั้งหมด โอ้แย่เลยเนี่จะเอาน้ำร้อนสาดลงไปนะเนี่ยส่วนมากจะไปหมดจริงๆนะลูกตาหายากคนที่จะเป็นแบบปฏิบัติทําแล้ววันแรกอยู่ด้านหลังวันต่อมาจยับขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเนี่ยหายากลูกตาเคยเห็นเด็กคนหนึ่งเราพูดจัดการแบงก์ออมสินตัวเล็กๆปอสี่ปอห้าเนี่ยที่แรกอยู่ด้านหลัง ปฏิบัติวันที่สองสามมันขยับขึ้นมากขยับมันนั่งข้างหน้าเลยอยู่ใกล้ๆผู้หญิงขยันปฏิบัตินะครัปฏิบัติอยู่สี่วันรู้แจ้งเรื่องสมมุติเนี่ยไอเนี่ยมันไวนะสามวันสี่วันเนี่รู้รูปนามแล้วเข้าถึงธรรมะได้ไวมันไม่กลัวแล้วรู้ทันทีว่าเฮ้ยทําไมเด็กคนนี้มันขยับมาเรื่อยเรื่อยแล้วอยู่ๆก็เวลาให้ถามปัญหามันจะเริ่มถามปัญหาอืม หลงตาคะทำไมหนูยังมีความคิดอยู่บ้างนะทำไมมันดับไม่ได้ทั้งที่วันนี้ความง่วงก็ไม่มีแล้วอะไรเนี่ยมันจะเริ่มถามที่มันเป็นธรรมะขึ้นมานะคือเขาไม่กลัวนะของเรานี่ก็จะมีแหละอีกขณะก็จะเริ่มล่งทำท่าไปเยี่ยวห้องน้ำแล้วก็จะไม่ขึ้นมา <c oughs> มนั่งเก้าอี้อยู่ทางโน้นกิเลสมั น, มน คืออบรมมันเยอะเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนก็รู้จักและใครเป็นยังไงยังไงเนี่ยกิเลสของโยมที่เป็นอยู่ที่ปัจจุบันนี้มองดูหน้าดูตาคนนี้โอ้ยมขี้เกียจเห็นมาล้วละคนอื่นก็คนไหนเป็นแบบคนไหนยังไทิฐิแบบไหนอะไรยังไงนี่คือมันขี้เกียจเห็นแล้วว่าคนเป็นยังไงนะคนนี้จะรู้หรือไม่รู้คนจะเป็นหรือไม่เป็นนะคนนี้จะยากหรือน้อยเนี่ยมันจะคือมันขี้เกียจเห็นแล้วน่ะเพียงแต่ว่า หน้าหน้าที่แหละนั่นหน้าที่ที่จะช่วยกันเพราะคนนี้มันสะสมกันมามากในใจเราเนี่ยมันสะสมอารมณ์มาความโลภโกรธหลงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามัญญาที่มันแสดงออกมาต่างกันคนจะเหนียวแน่นตามทิฏฐิมานะที่ตัวเองอติดสมมุติอยู่เท่านั้นเองสมมุติประเภทไหน่ะสมมุติเป็นครูเหรอชอบสอนคนนี่ยอันนี้ก็จะแก้ยากทิฏฐิพระมานะครูไม่ใช่กษัตริย์นะ พระที่สอนยากรองลงมาคือครูคือนักปกครองนักบริหารในประมาณนี้จะยากนั่นต้องต้องช่วยกันนะญาติโยมก็ช่วยกันพระก็ช่วยกันช่วยกันสะสางชีวิตคือเดี๋ยวนี้คือเราทั้งหมดนี่เหมือนชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยจะช่วยกันแก้ไขชีวิตอันนั้นไม่ให้มีความโลภโกรธหลงเข้ามายุ่งกับชีวิตไม่ให้ความง่วงความเหงาเนี่เข้ามาวุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคของชีวิตนะครับ ชีวิตคือกายกับใจชีวิตเราเนี่ยคือกายกับใจกายคืออันนี้กายกายคือร่างกายภาษาพระเขาเรียกว่ารูปมีไ้ยมีรูปไหมรูปนะเนี่ยพระมีพระเท่าไหร่นี่ทั้งหมดมีเท่าไหร่แปดอะไรเออแปดรูปเหรอไม่ใช่แปดตัวนะทำไมไม่เรียกแปดตัว พอเป็นภาษาปรมัตารย์ไงพระนี่แปดรูปรูปรู้จักรูปไหมรูปนี่มันเป็นของจริงไหมรูปเป็นของจริงไหมเอาต้องถามเอาละถ้าเทศไปคนเดียวก็หลับเอาหลับเอานึ่รูปเป็นของจริงไหมมีจริงไหมรูปมีรูปบ้างไหมที่บ้านมีรูปไหมมีเหรอเป็นของจริงไหมไม่จริงนะมันรูปนะเนี่ยพระนี่เป็นของจริงไหม เอาในโมบะพระเท่าไหร่มีกี่รูปแปดรูปพระแปดรูปคำว่ารูปนี่คือมันเป็นสภาวะที่มันไม่ใช่จริงนะมันเป็นรูปไปเป็นเพียงรูปอ่ะเนี่ยมันไม่ไม่จริงมันเป็นรูปเฉยๆเนี่ยรูปพระถ้าสมมติว่านั่งอยู่นี่เอายีนมาสวมเข้าไปนี่ มีผมแสกกลางส้นหน่อยทานน้ำมันจอยนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นพระไหมนั่นเป็นอะไรเออเป็นปุถุชนเป็นญาติเป็นโยมขึ้นมาแล้วนะนั่นแสดงว่าอันนี้มันเป็นรูปนะนี่รูปทรงเฉยๆนะเนี่ยรูปพระไม่ใช่พระพระอยู่ที่ไหนโยมมีไหมเอามาดูดิถ้าถามกูไปนิ้วหน้กูไม่ตอบ นี่ไหมรูปมันมีรูปเหมพระมีรูปเดี๋ยวนี้เป็นรูปนะรูปรูปสภาวะพระก็คือปฏิบัติดีพระนะปฏิบัติดีสุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงก็คือพระอยู่ที่จิตนะมุ่งไปสู่การเห็นเห็นอารมณ์เลยหง่วงเหงาเบื่อนายคิดไม่คิดสกัดอันนั้นออกได้นะเขาเรียกวปฏิบัติต r o ตรงตรงไปตรงนั้นเลยนะปฏิบัติดี ปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติถูกนั่นแหละถูกไหมนี yeah> okay ่กาหนดรู้เนี่ยระลึกรู้เนี่ยนั่นแหละพระจะเริ่มอย่างนั้นปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงตรงก็คือเอาจิตดูจิตเอาสติดูจิตเลยมันคิดมาปะทะมาเลยเอาสร้างจังหวะไปแล้วก็ยายะปฏิบโนยายะปฏิบโนก็คือปฏิบัติเพื่อออกจากกิเลสเคยได้ยินไหม ยายะปฏิปโนปะกวาโตซาปะกัสังโคพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดสงสารุปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วถ้าปฏิบัติทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ว่จะเป็นพระแล้วนะะเป็นสงฆ์ละทุกข์คืออะไรง่วงนี่แหละเดี๋ยวนี้กาลังง่วงเดี๋ยวนี้กําลังคิดเดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อออกจากความง่วงออกจากความคิด สามีจิปฏิปโนปะกะวโตซาวกะสังโคบุกคลใดมีพระสงฆ์เป็นสามีแล้วใช่ไห ม, มไม่ใช่นะ <c oughs> สามีนี่มันแปลว่าอะไรสามีจิปฏิปโนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติสมควรแล้ว ปฏิบัติสมควรอย่างนี้นี่มันยังไม่สมควรจะรู้แจ้งนะ น, นี่ควา ม, ค, วามคิดมันยังไม่ออกความง่วงมันยังไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันยังไม่สมควรคุณต้องเจริญสติจนทั้งมันมีความสมควรที่จะดับกิเลสได้นู่นนะดับความปรุงแต่งได้นู่นพอดับได้รู้แจง้ง<อ> ป, ปุ๊ บ, บนะอันดับแรกเขาเขาให้เป็นพระโสดาบันนั่นโสดาบันคือจิตตกกระแสตกกระแสคือมีแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆเลยทีนี้ จิตตกกระแสคือจิตมันตกมาสู่ความรู้สึกตัวกระแสพระนิพพานคือถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันไม่เข้าไปในความคิดเดี๋ยวนี้จิตมันไม่ค่อยตกมาสู่กระแสนี่มันเข้าไปในความคิดบ่อยๆเนี่ยมันเข้าไปปรุงแต่งบ่อยๆลืมรู้อยู่เรื่อยมันตกไปสู่กระแสโลกกระแสโลกก็คือความฟุ้งซ่านนั่นแหละเดี๋ยวมันคิดแล้วเดี๋ยวมันง่วงมันเหงามันเบื่อเป็นโลกียะเป็นโลกีมันเข้าไปในโลกีธรรมโลกีคือเรื่องโลกโลกไง แต่ถ้าไม่อยู่กับรู้สึกตัวไม่จะอยู่กับความว่างๆอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเคยกลายเป็นศีลศีลคือความปกติมีมากขึ้นเมื่อขึ้นกลายเป็นสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตปกติไม่ใช่ธรรมดานะตั้งมั่นด้วยแล้วนําไปสู่การเกิดปัญญาคือความรู้แจ้งในภรรษะทั้งหลายเมื่อทีรู้แจ้งครั้งเดียวมันจะรู้แจ้งหมดเดยตั้งตาหูจมูกเล่นกายแต่ขอให้รู้สักจุดหนึ่งเถอะ มันจะมีช่วงหนึ่งหรอกที่รู้สึกตัวทุกพร้อมมันจะเกิดเป็นสามีจีปฏิปโนนี่นะพอเกิดการรู้แจ้งนี่ก็สบายละก็เป็นอาหูเนโยเป็นสงควรแขกสักการะที่เขาตัดไว้ต้อนรับทักกิเนโยเป็นผู้ควรรับทักศินาทานสมควรโยมไปทําบนด้วยอัญเชลีกรณโยเป็นบุคคลที่ควรการกราบไหว้นะ อาเนยโยปาหูเนยโยทักกิเนโยอัญเชลีกรณิอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสัตไม่มีเนื้อนาบุญอื่นคือเราไปทำบุญกับพนกลุ่มนี้เขาก็จะสอนทำให้เราพ้นทุกได้แต่ส่วนมากมันเราทำบุญแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์บางทีเนี่ยคือไม่ได้ส่งผลต่อการที่เราจะดับทุกได้เราทำไปก็หายไปทำไปก็หายไปเรานี่เป็นบริษัทสี่นะ เป็นอุบาสิกาอุบาสกทำร่วมกันนะทำบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำบุญร่วมกันทำหน้าที่ร่วมกันลงทุนด้วยกันนับถือศาสนาพุทธทำบุญทำทานด้วยกันแต่ว่าคนผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยอย่างพระสงฆ์เนี่ยเป็นเป็นบุคคลแถวหน้าเป็นบุคคลผู้ลงทุนโยมไปทำบุญก็เหมือนลงทุน แต่พระสงฆ์เป็นคนลงแรงเดินจุกรมทําความเพียรกินข้าวแล้วก็ไปทําคนหาสัจธรรมเป็นพลังงานมีไหมพระไม่ทํามีไหมกินแล้วไปนอนมีไหมเออแล้วมันจะเกิดเห็นธรรมไหมเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดการรู้แจ้งแล้วเป็นผลกลับมาตอบสนองสอนญาติโยมได้ไหมมีไหมมันไม่เกิดนะนี่มันเบี้ยวบริษัทเราล่ะบางทีดิ นั้นอันนี้เป็นเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าถ้าทำจริงกับจะรู้สึกไม่มีอะไรยุ่งยากในชีวิตเนี่ยอย่างลงทุนไม่ได้ลงทุนเยอะตอนเช้าก็ไปบินธบาทดเขาใส่ให้คนละคำบอกปอกปอกให้ทั้นนั้นแหละแล้วก็มาเดินจุกรมทำความเพียนเนี่ยพระกลุ่มนี้จะไม่ค่อย ไม่ค่อยมากเรื่องบาทสมัยโบราณเนี่น้อยเล็กๆเดินไปบินนบาตเข้าใส่แค้นแล้วก็ยิ่มแล้วก็มาเดินจูงกลมทําความเพี่ยนให้เกิดสติปัญญาแล้วก็เข้าใจสัจธรรมก็เผยแผ่พรมจารย์ไปเรื่อยไม่มีหวังพึ่งไม่มีหวังติดในลาบยศสารเสริญทรัพย์สินเงินทองอะไรไม่ได้มีนั่นคือสงศา voke ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะไม่เกี่ยวกับชุดนะนะไม่เกี่ยวกับชุด แต่ชุ น, นี้ใสเข้ามาก็ดีหน่อยเหมือนกันไปเที่ยวคนที่ไม่เข้ <c oughs> แมแข็งน ะ, นะมันก็ไม่ปะพลกันนะเพราะสามารถมีชุดย้อมน้ําฝาดเขาเรียก ว, ว่าผ้ากาสาวะแต่ว่าคนที่เข้าถึงธรรมเขาเรียก ว, ว่าอริยะสงฆ์ถ้าเป็นนี้นะแต่ถ้าโยมปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมได้ไหมได้เขาเรียก ว, ว่าอริยะบุคคลอโยมทำนะสามารถเป็นพระ อริยะได้อริแปลว่ากิเลสอริแปลว่าฆ่าศึกศัตรูยะแปลว่าพ้นแปลว่าอะไยะคือคนไกลจากกิเลสใกล้จากความคิดนั่นแหละจากความปรุงแต่งทีนีเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาเป็นพระนะเนี่ยจะมาฝึกเป็นพระถ้าโยมไม่สามารถเป็นอริยะได้โยมก็เข้าถึงดําไม่ได้ โยมก็ไม่สามารถพ้นทุกข์อันนี้เราจึงมาปฏิบัติทำเพื่อทําตัวเองให้พ้นทุกข์อันี้ความทุกข์เหมือนกันพระเป็นทุกข์เหมือนกันโกรธเกลียดโลภหลงชอบชังเหมือนกันโยมก็เป็นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ตอนฟังอยู่มันเฉยเฉยอยู่แต่ไปเจาะไม่ได้อันนี้มันจะบึ้งขึ้นมาทันดีเพราะมันอยู่ข้างในไงที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กแต่เต่กมาเรื่อยเเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยหลายหคนนะไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นทุกข์แต่จริงจริงเป็นทุกข์ทุกคนเนี่ย เป็นทุกทุกโโหตินาทุกขาเปรตามีความทุกเจาะลงสู่ใจยังลงสู่ใจแล้วมีความทุกทุกรออยู่เบื้องหน้าแล้วมันเป็นทุกตรงไหนเอาลองมาไล่ดูดิทุกเกิดจากอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้แจ้งในเรื่องของกายของจิตกายนี่มันเป็นรูปอย่างที่ว่ามาเป็นรูป แต่เรามองเห็นว่าเออนี่คือรูปเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะแล้วก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาราคะเห็นเป็นรูปเฉยๆเนี่ยได้ไหมได้ไหมยอย่างเห็นลูกเราเนี่ยสมมุติเออนี่รูปลูกนะเนี่ยดูแล้วก็ไม่ปรุงแต่งได้ไหมเห็นสามีเห็นภรรยาไม่ยึดมั่นหรือมันว่าเป็นของเราเนี่ยได้ไหมดูเฉยๆสักแต่ว่าผัดสใส่เฉยๆเนี่ยได้ไหมมันไม่ได้วัตถุสิ่งของอย่างรถยนต์เนี่ยลงไปนี่ อย่าว่าแต่คนเลยหมาเยี่ยงหรอโย่บทยิงโกรธเลยนะเนี่ยถ้าคนเดินไปอัตภูขีดพะกับพระเถอะเ่็นไหมเฮ้ยไม่มีศีลเนี่ยโน่นี่มันวอยไว้ขึ้นมาดีนะมันยึดมั่นถือมันไงจิตเราเนี่ยมันไม่เข้าใจเพราะมันไม่รู้แจ้งในรูปในน้มไม่รู้ในกายในจิตมันจะรบกวนชาวบ้านเขาไว้เทศดังเนี่ยอยู่ใกล้บ้านกันนะ จะหาว่าเทศดีอย่างน้นอย่างนี้วจริงๆชาวบ้านเาชังแทบตายก็มีนะอ่ะก็ช่างเถอะเทศแล้วก็รีบกลับบ้านละไว้ใครไปมันนะเราไปชอบร่วมกันนะประเทศบางแห่งเาผากุฏิเผาศาลาเทศก็มีนะเอาตั้งอกตั้งใจนะเนี่ยจริงๆคือเราไม่รู้แจ้ง คำไม่รู้แจ้งคือมันไม่เกิดยาทัทสนะมันจะยากกันเรียนนะโยมนะฟังนะจะใส่ข้อความสับแสงลงไปเี่นละน้อยละน้อยจะยากหน่<พ>อยเพราะว่ามันใช้สับอื่นไม่ได้นะเพราะสับอื่นนี่มันมันต่ำกว่ามาตรฐานที่เราจะยืมมาใช้กับภาวะเนี่ยอย่างเราไปสะสมเนาะเราเกิดมาใหม่ๆนะ พอเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวกูของกูหรือยังเป็นหรือยังเกิดมานี่แม่กูมีหรือยังสักสองวันเป็นหรือยังยังนะเดือนหนึ่งเป็นหรือยังแม่กูนี่ยังแทบไม่เป็นนะแต่เรานี่เริ่มสำคัญมันหมายแล้วตั้งแต่มันเริ่มมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วก็เริ่มสำคัญมันหมาเฮ้ยมีลูกเลยนะเนี่ยมีก้อนเนื้อมีน่นมีนี่นี่ยมันยึดเลยนี่ลูกเราเนี่ะ ขนาดตายแ้แต่อยู่ในท้องก็ยังฟ้องหมอในโรงพยาบาลเลยอรมดูีิลูกกูลูกกูถ้าอย่างนั้นอย่างเี้ยมันโวยวายขึ้นมานะมันยึดเนี่ยอุปทานเรามีแต่เด็กเด็กเนี่ยมันยังไม่ยึดมันยังไม่มีอุปทานก็เกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเมื่อก่อนล่ะถ้าจะไล่ไปเนี่ยมันยังไม่มีความคิดเมื่อยังไม่มีความเห็นใครเฉยเฉยเนี่เห็นเห็นเห็นสามีเราอย่างเงี้ยเรายึดหรือยังเป็นสามีเราเรายัง เมื่อไหร่ที่มันคิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเคยทําดีต่อกันเคยมันเกิดราคะก็เลยมันจะชอบพอมันชอบมันจะยึดเนี่ยใครมาแย่งไปไม่ได้ใครมาจีบไม่ได้อะไรมันจะเริ่มหึงเรื่องหวงขึ้นมามันจะฝังลงในจิตเราอ่ะยิ่งเราคิดบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ามันสะสมเนี่ยพวกเราทั้งหลายว่ามันเป็นบุญเป็นบุญที่ได้แต่งงานกับเขาหืบุญหาอะไร เห็นไม่ทุกแทบตายปัจจุบันนี้ถ้าปะได้ก็ปะนะพอทิ้งได้ก็ทิ้งนะแต่ว่ามันทําไม่ได้เนอะมันทําไงได้แล้วแก่แล้วกลไม่มีใครเอาอีกนอกจากคนนี้น่าเป็นห่วงนะพวกดีนะพวกอาตมานีนหลวมตัวได้มาบวชก่อนก็ยังดีญาติโยมกโอ้ยหน่าเป็นห่วงแต่ก็ไม่เป็นไรนี่พระมาช่วยแล้วนะฮวิธีปล่อยทิ้งสามีเอ้าตั้งใจฟังสร้างจังหวะดีดนะจะพาเลิกครอบครัวนะเนี่ย จะไม่ให้ครอบครัวครอบจะไม่ถูกครัวครอบเนี่ยเนี่ยครัวมันมาครอบเราเดี๋ยวนี้คิดถึงเนี่ยสร้างจวะเดินเดืกลมก็นเฮ้ยกูคิดผิดนะที่มาเนียองตาโนอยากกลับไปบ้านคงสามีคงอย่างนั้นอย่างนี้นะในี้ทุลักเนี่มันจะอ้างอันนี้ขึ้นมาแล้วที่จริงมันคุยกันมาแล้วมีนนำซ้ำผัวมันว่าอยากกลับไหมกูเห็นหน้าเนาะเอาให้รอดนะกูบอกมันไม่ฟังเนี่ยเนี่ยเราก็จะกลับไปให้ได้นะ แล้วมันก็มีเหตุมีผลหรอกเวลากลับไปเนี่ยนั่นก็ตั้งอกตั้งใจดีๆไม่ใช่หมูะจะออกจากอันนี้เนี่ยนี่หลวงตายังดูเลยเนี่ยชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสียงมาเมียละแม่วอกลาจอกุลเนี่ยนี่เนี่คือวิถีชีวิตเราอะรอบๆหนึ่งเน่ะแบบนี้เลยชีวิตเราเนี่ยจังหวะหนึ่งมันเป็นอย่างนี้จังหวะหนึ่งปีหนึ่งเป็นนี้มันจะเป็นนี้มันเป็นรอบ ปีปีนี้ปีอะไรปีปีเสือเหรอเห็นไหมสังคมวุ่นวายจังกัดกันน่ะกัดกันจังน่ะปีเสือแล้วต่อไปปีอะไรขานแล้วก็ะไรเถาะเถาะปีก็ตายไปใครไปมันนะปีก็ตายคือกระโจนไปไปวๆหนีใครหนีมันต่อไปปีอะไรปีมะโรง ปีมะโรงงูยักษ์ปีมะโรงนี่ก็คือปี2012นั่นแหละตายหละใครตายมันด็ที่เนี้ยใครไม่ปฏิบัติธรรมก็มะโรงพ้นพิษแหละแล้วช่างหัวมันเถอะอี่สไตล์ดวงตายจะเริ่มออกมาแล้วนะเนี่ยพูดแบบไม่ปราหนีปลาใสพูดแบบธรรมชาตินะพูดน้จ้าหน้าจ้านี่ไม่ค่อยเป็นนะโยม นั้นก็พยายามตั้งใจฟังนะจ๊ะจะผิดปกติอะไรจะพูดอย่างนี้นี่ยตัวเองก็ยังขำตัวเองเลยมันพูดเพราะไม่เป็นกับเขาแต่ก็พยายามอยู่ใครก็ว่าเทศและด่าคนจริงไม่ได้ด่าหรอกพูดดุเฉยทีนี้พูดถึงสภาวะจิตที่เราที่มันมีอวิชชาเนี่ยมันมันไม่รู้แจ้งและมันก็สำคัญวันไหวแต่ตัวงานคือมันคือพอเกิดมาก็เริ่มสาคัญวันไหะ ที่แรกมันจะชอบอร่อยตาก็ชอบดูก็เห็นแม่แม่กูแม่กูทุกวันทุกวันก็ได้ประโยชน์เี่ยมันจะยึดมั่นถือมั่นรูปร่างไครที่หน้าตาเหมือนเราเนี่ยมันจะชอบเห็นไหมผู้ชายมันจะรักผู้หญิงลูกชายลูกชายจะรักใครมากรักแม่ลูกสาวรักใครรักพ่อนะนั้นลูกสาวนี่เห็นแต่หน้าพ่อบ่อยบ่อๆ่อยบยพอมันโตเป็นสาวมันไปเจอใครที่หน้าเหมือนพ่อมันมันปิ๊งทันทีนะนั้น โยมสังเกตไหมลูกสาวเราที่ไปได้ผัวน่ะหน้าตาเหมือนพ่อมันนั่นแหละเพราะมันซับเอาหน้าพ่อมันตลอดไยในขณะเดียวกันลูกชายเรานี่ก็ไปเห็นใครที่หน้าตาเหมือนแม่มันนะกับโอ้ยหน้าตาเหมือนแม่มันเลยนะที่จริงเพราะมันมันซับเอาภาพมันนี้อยู่ตลอดเวลาไงจีวยาซิกมันฟอยอ่ะมันบอกแบบนั้นเลยอันนี้คืออุปทานน่ะที่มันยึดเนี่ยมันติดตลอดเวลาอันนี้มันกลายเป็นอนุสัย เป็นาสาวะเขาเรียกว่าเป็นพบเป็นชาติแต่ปางก่อนที่ถูกระลึกรู้แบบนี้มันมันเก็บอยู่ในจิตเรามันสะสมมาสะสมมาก็มาเก็บไว้ในใจแหละะไปเจออะไรแบบนี้มันก็ปิ้งขึ้นมาเราก็เหมือนกันน่ะที่เนี้ยมันสะสมแบบนี้มาเรื่อยๆดีก็มีอยู่ในใจเราแต่ละคนแต่ละคนภาพแบบนี้ไอ้ที่ไม่ชอบไม่ชอบบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็กลายเป็นอัตราตัวตนของเราเองมีได้ใส่เป็นคนที่มันชอบโตรธคนนี้นะเพราะอะไรเพราะมันสะสมทุกวันไง แต่บางคนก็จะชอบแบบนี้นะน้งตาเคยพูดบ่อว้ฝรั่งในส่วนมากมันจะชอบคนขาวขาวด้วยมันไม่ชอบนะเพราะเกิดมาแล้วมันขาวน่ะไปเห็นคนขาวมันก็เบื่อหนายนั้นเวลามาประเทศไทยนี่เห็นตัวดำๆกี้ๆน้อยๆมันจะชอบมากผู้หญิงไทยตัวเล็กๆน่ะดำๆน่ะนั่นแหละสเปคฝรั่งมีสิทธิ์แต่ คนไทยตัวไหนมันตัวดำดำมันจะชอบฝรั่งเขาขาเนี่ยเพราะมันรังเกียจภาวะที่มันดำไงคือมันจะชอบอันที่ตรงตันข้ามเนี่ยจิตมันจะเป็นแบบนี้บ่อยๆคนไหนตัวพร้อมๆมันก็จะชอบฝรั่งตัวอ้วนอ้วนเพราะเพราะอุบทานมันมีไงมันไม่ใช่เรื่องประหลาดเป็นธรรมชาติแต่ถ้าปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าใจชีวิตระดับหนึ่งนะคือยังไงก็ได้อยู่ด้วยกันได้กับยูมัน แต่ไม่ใช่พ่อเลือกแบบนั้นทีนี้พ่อสะสมอารมณ์อย่างนี้มากเข้ามากเข้ามันฝังอยู่ในใจนะฝังอยู่ในใจเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยความคิดมันก็เกิดขึ้นมันเกิดจากความไม่รู้แจ้งตามความเปนจริงว่าอันนี้คือรูปนะแต่เราเริ่มสำคัญมันหมายพ่อแม่ก็สอนสอนแบบไม่มีปัญญาอันนี้ก็ลูกอันนี้ของมึงนะอันนี้ของมึงนะ อันนี้เรื่องตัวกูของกูสอนนั้นม้เรื่อยๆเรียนช่งสูงนะลูกนะได้เป็นเจ้าเป็นนายคนมีเงินมีทองอย่างนั้นกู้หน้ากู้ตาพ่อแม่อย่างว่านี้มันก็บุกเต็มที่เหมือนกันนะจนกระทั่งบางทีบางคนไม่ถูกใจพ่อแม่ผูกคอตายก็มีกินยาตายก็มีเพอสําคัญมันหมายไงพ่อแม่คาดหวังมากมันพยายามทําถึงคืออุปทานเองดิ้นแล้สอนให้ลูกให้หลานให้ครอบให้ครัวให้ผัวให้เมียให้ญาติมิตรพิสหายเนี่ย มีแต่อุปทานมีแต่ความยึดติดยึดมั่นถือมั่นไม่เคยสอนว่าปล่อยวางไม่สอนให้มีสติรู้เท่าทันความคิดนะอารมณ์นะปล่อยวางนะไม่มีนะแล้วเป็นยังไงปัจจุบันนี้ไม่ได้ทุกปัญหากับโลกเกิดขึ้นมากมายทีนี้ก็มาแก้กันละทีนี้แก้กันแก้ตัวไหนแก้ความยึดติดพวกนี้แหละถามดิความรักความชังเกิดตรงไหนตอนไหนอ่ะเกิดมาแต่ชาติปางก่อนไหม เจอไอ้หมอนั่นแต่ชาติปังก่อนไหมชานี้นะใช่ไหมประมาณอายุเท่าไหร่เจอกันน่ะแฟนแฟนเจอแฟนอายุเท่าไหร่ปนมือเออโอ้ไม่ได้ถามความเท็จนี่นี่เอาความจริงประมาณก็ได้เออปมสมสิบดีี เจอกันน่ะรักกันน่ะอประมาณยี่สิบนะแน่ก็ไม่ได้เป็นมาแต่ชาติฟางก่อนนะใช่ไหมก็ได้พูดได้คุยกันแบบนุ่นแบบนี้ก่อนนะมันถึงชอบกันมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นแหละนะเกลียดชังคนก็เกลียดชังตอนมีปัญหากันนี่แหละกับคนนั้นคนนี้น่ะนั้นมันเริ่มจากนั้นมาแต่มันก็ฝังอยู่ในใจฝังลึกๆในใจออย่างเราชอบกันผู้หญิงผู้ชายมันอาจจะเกิดกับฮอร์โมนเกิดจากอะไรเกิดจาก ใช่ครับความชอบความชังเป็นธรรมชาติของสัตว์ของสันชาติญาณมันเป็นธรรมดาแต่เราไม่รู้เท่าทันยังไงเวลามันเกิดขึ้นมาเราไม่เห็นว่าเอออารมณ์เนาะนี่แล้วเกิดสติปัญญาเกิดสลายอารมณ์สว่างแก้ไขมันไม่มีอ่ะแต่นี้มันก็ผูกพันขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องชอบพอบชอบวมันก็ติดติดออกไม่ได้ไงกลายเป็นความยึดติดทีนี้จะสลายมันไม่ง่ายทีเนี้ยถ้า แต่มันคิดขึ้นมาถ้าไม่ได้เห็นหน้าเนี่ยทุกตายเลยนะอันเนี้ยเคยฟังเพลงจินตลาไหมน้องน้องอยู่ทางนี้ไอ้อยู่ทางโน้นอะไรมาอะไรเป็นทุกข์มหันเนี่ะคือมันทุกข์มากครับปรุงแต่งมากก็จะทุกข์มากยิ่งอยู่ไกลเพิ่งรู้ เพิ่งรู้ว่าความคิดถึงเนี่ยเป็นทุกขมหันนะเขาว่าจริงๆก็คืออย่างนั้นแหละทีนี้ทำไงจึงจะออกได้ไม่ได้เลยยิ่งปัจจุบันเขายิ่งสร้างเครื่องมือแห่งความคิดถึงขึ้นมาความคิดถึงมันบีบคั้นเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เออก็คุยกันเอาแต่โทรศัพท์นี่ก็ไม่ใช่คุยแต่เมียทีนี้เห็นไหมมันลวดลายอย่างอะไรดีทีมันเอาไปใช้ทางอื่น แต่ก่อนมีจีหนึ่งจีสองเดนนี่จีสามอ้าวไล่เข้าไปอีกลานะมันยากคนเอาไปใช้ทางทางผิดไปเพราะมันเป็นอย่างนี้นะจะเอาความคิด ท, ที่ที่รักนี่ออกไปจากใจเนี่ยเอาออกอยากมากเอาความชังที่มันเข้าไปเปื้อนในใจที่เราเกลียดมันเนี่ยยิ่งรักมากก็ชังมากเปละชังเนี่ยเอาออกอยาก ลืมตาโยมลืมตาส่วนมากจะเป็นกับคนใสแว่นตานะเรื่องนี้อย่าไปมองหน้าเขามองมาตรงนี้โยกเว้นดวงตานะใสแว่นตาก็ไม่เป็นลืมตากว้างๆเจ้าว่านี้ออกจากใจเอาความรักความชังออกจากใจเนี่ยเอ๊ะทาไงเนาะส่วนหนึ่งญาติโยมก็คือหนีให้ห่างใช่ไหมไปไกลๆไม่เห็นไม่เห็นยังคิดอยู่ไหม เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตาตาเนี่เป็นประตูเฉยๆมันไม่ได้สร้างความรักความชังอะไรให้เกิดเลยตาเป็นช่องมองเฉยหูก็เหมือนกันนี่ได้ยินก็มาแต่ว่ามันไม่ได้ชังที่หูมันไปอยู่ที่จิตนั่นแหะจิตอยู่ที่ไหนจิตคนเนี่ยอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนตายแล้บัดนี้เกิดมาตั้งแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้จากจิตจากใจอยู่นั้นที่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอา จิตใจคำเดียวกันอยู่ที่ไหนมันมีกันหรือเปล่านี่ยจิตใจเนี่ยมีนะอยู่ที่ไหนที่เราอยู่ที่ไหนอ๋อถ้าตามเห็นมันก็จะไม่ทูกข์เรเอาออกมาฆ่ามันทิ้งมันอยู่ที่ใจคือเอาออกมาเนี่ยเหมือนเห็นอันนี้มาเนี่เห็นแก้วน้ําตัวนี้เอามาแล้วก็ล้างเนี่ยเพมันสุขภพรู้อยู่ที่นี้น้ําอยู่ที่ไหนอยู่ในแก้วล้างล้างล้างเทดิ้งเนี่สาตเนี่ย กิเลสไม่อยู่ที่ใจอยู่ที่จิตเอาจิตออกมาล้างอยู่ที่ไหนจิตใจอยู่ที่ไหนอาวไม่ใช่นะลมไม่มีนนี่จิตยังไงนี่หายใจไม่มีอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ความรู้สึกเหรอเอาใครมีคำตอบที่ดีกว่านั่นกว่าเอา จิตอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนนูว่าอยู่ที่ขาค่ะเอาจิตมาจับอยู่ที่ขาไงความคิดหรือเอาเอาตรงไหนเอาดีๆเอาอยู่ในสมองสมองอยู่ตรงไหนเอาเวลาเขาปาดตัวนี้ปุ๊บเอาสมองเอามาดูก็ไม่เห็นมีจิตนี่มันอยู่ตรงไหน อแมบ้านแม่บ้านเนี่ยครัวผมสั้นๆเนี่ยจิตอยู่ไหนอืมเจอนั้นแหละมันอยู่ไหนไม่รู้นะอนี่แหละเราก็มาหาอะไรเนี่ยเขาวอาชีวิตนี่ประกอบด้วยกายกับจิตรู้จักกายไหมอยู่ไหน เนี่ยมันก็ไม่รู้มีแง่อันนี้นี่ยเนี่นี่ยอหนๆพอรู้อยู่กายแต่จิตอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะมีความรู้สึกเหรอสู้สึกแบบไหนน่ะรู้สึกทุกอย่างไอความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าจิตใช่ไหมความรู้สึกทุกอย่างไอจิตใช่ไหมเอาใครว่าถูกยกมือขึ้นใครว่าถูกอ้าวได้หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงในเอกฉัน ใช่ไหมเอกเป็นว่าหนึ่งไงเอกกระฉันมติเป็นเอกกระฉันก็ถือว่าถูกนะไม่เอาเสียงส่วนมากนี่เอาเอกฉันเขาคงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคือความรู้สึกมันรู้สึกอะไรก็คือจิตเป็นนั้นแหละเรารู้สึกว่าเป็นนั้นรู้สึกเป็นอย่างนี้เป็นจิตเราจะมาล้างความรู้สึกออกจากนั้น เห็นไหมเวลาตื่นขึ้นมาในจิตเราเพื่อนด้วยความรู้สึกประเภทไหนตื่นขึ้นมามันเป็นอย่นั้นเลยถ้าห่วงลูกก็เป็นอย่างนั้นอย่างเราเป็นแม่ในตื่นขึ้นมาคิดหาแต่เรื่องจะทํากับข้าวนะอืมตอนเย็นก็เหมือนกันคิดถึงเรื่องครัวแล้วเนี่ยโอ้ยลูกจะกินยังไงพรุ่งนี้ตอนเช้าลูกจะได้อะไรจิตมันห่วงล่ะเพราะมันสําคัญไหมว่ามันเป็นแม่ไงมันผูกพันมันไม่ใช่เฉยไม่ไม่อยู่กับปัจจุบันกินยังไงก็กินมันไม่คิดอย่างนั้นนะ ก็เลยต้องมีการฝึกล้างใจล้างความรู้สึกนี้ออกไปจากจิตจิตก็เป็นนามาทรมเป็นสภาพรับรู้อารมณ์จิตเนี่ยมันคิดได้อย่างวิจิตพิสดารเขาถึงเรียกว่าจิตทีนี้จะล้างแล้วมันสามารถล้างได้ด้วยล้างจิตเนี่ยมันล้างได้ด้วยแต่ว่า คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาจะเพลินไปกับจิตที่มันเปนเนื้อนนี้แล้วก็เต้นไปตามจังหวะมันมันให้รักเราก็รักให้ชังก็ชังให้กโกรธก็โกรธโลภห ล, ลงไหลไปตามกระแส น, นี่ไปเรื่อ ๆ, ๆเขาเรียกว่าคนไหลตามกระแสแล้วเวียนว่ายอยู่ในความคิดตลอดเวลาวันวันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสังสารวัตภาษาพระสังสารวัต ร, ต ร, ตรตคือการเวียนว่ายอยู่ในความคิด เป็นไหวอยู่ในความปรุงแต่งเนี่ยอย่างให้ไปเดินจุงกลมเนี่ยมันคิดแล้าคิดอีคิดแล้วอยู่หลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดอยู่นั่นแหะง่วงเบื่ออยู่ในคิดไปคิดมานี่มันออกไม่ได้เขาเรียกว่าวิ่งไหว่อยู่ในสังสารวัตรแต่ปัจจุบันนี้พระเขาไปสอนว่าเราเรียนไหว้สังสารวัตคือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดก็จริงอ่ะแต่ตายแล้วเกิดแบบสมมุติอนั้นตายแล้วเกิดแบบสมมุติลอดท้องแม่ออกมาเนี่ย พุทธเจ้าจะไม่สอนเรื่องแบบนี้ไม่สอนก่อนเกิดหรือหลังตายแต่ปัจจุบันนี้เขาจะสอนแต่เรื่องแบบนี้ทำให้าศาสนาพุทธธรรมเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเรื่อยคือเลยไม่เป็นประโยชน์ชนกับปัจจุบันธรรมแต่พอพุทธเจ้าขับสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะอดีตชาตินี่หมายว่าตั้งแต่เกิดที่ลงตาพูดเมื่อกี้นี่นน เดี๋ยวนี้ที่แต่งงานกับคนนี้ก็เพะพะพะ อ, อ, อ, อดีตแต่ชาติเมื่อ20ปีแล้วสมัยเป็นเกิด เ, เ, เป็นสาวเนี่ย ม, มันชอบคนนั้นใช่ไหมเออมันชอบคนนั้นน่ะมันก็เลยได้แต่งงานกานคืออดีตแต่ชาติคือชาติที่แล้วคือสมัยโน้นความคิดหลังจากนี้ตั้งแต่เมื่อวานก็ชาติหนึ่งที่แล้วก็เป็นชาติชาติหนึ่ง<ะ>ชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วพวกเธอตั้งแต่เกิดมามันมีกี่ชาติแล้วความคิดเนี่ยกี่ครั้งแล้วกี่พบแล้วที่มันคิดแล้วคิดอีกเนี่ย เออเขาเรียกว่าอเนกอนันตรสชาติภาษาพระนะมันมากมายอ่ะท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าถ้ามันตายแล้วเกิดมันคิดแล้วคิดอีแล้วก็ดับไปเรื่องหนึ่งคิดแล้วก็ดับเรื่องหนึ่งคิดแล้วก็ดับไปเรื่องหนึ่งแล้วมารวมกันเนี่ยถ้ามันตายแล้วเกิดงนี้ เก็บเอากระดูกมันสมว่าตายมันเป็นกองกระดูกเป็นคนจริงๆเนี่ยกระดูกจะเข้าเท่ากับภูเขาสองลูกนะั่นแหะบางทีเธอวันหนึ่งนี่ยอาจจะคิดไปสักหมื่นเรื่องน<ะ>่เนี่ยกระดูกนี่เจ็ดภูเขาเนี่ยบางทีเดี๋ น, นี้อายุเราก็เยอะแล้วมันก็นหลายเรื่องนะั้นพบชาติของเรานี่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยคิดเรื่องนี้กับคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันย้ำคิดย้ำทำอยู่เรื่อยจิตมันก็เพื้อนปนเพื่อนแบบเนี้ อันภาษาพระพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะจิตนี้เดิมทีเป็นประพัดสอนประพัดสอนพ่องใสนะแต่เพราะอาคันตุกะกิเลสที่มันจรอนเข้ามามันหุ้มจิตเราเอาออกไม่เป็นจิตนี้มันจึงมืดมัวประดุดดังพระจันทร์เดิมทีพระจันทร์ก็ส่องสว่างแต่พระจันทร์ที่มืดเพราะอะไรคะเพราะเมฆไหลมาบัง แต่พอเมฆไหลไปแล้วมันก็สว่างจิตเนี่ยมันเป็นประพัดสอนคือส่องสว่างอยู่คือใจมันเฉยเฉยอยู่เน่ยใจมันว่างๆอยู่แต่ละคนมีใจว่างๆอยู่นะนี้เวลาโกรธคนปุ๊บก็ประมาณสักวันสองวันหรือชั่วโมงสชั่วโมงก็กลับมาเป็นยังไงเป็นไงอีกจากที่โกรธเยอะๆนะมันมืดนะเมฆบางๆแล้วหลังจากนั้นก็สว่างใจมันก็สว่างเหมือนเดิม รักใครช่างใครทําธุรกิจนี่มันไม่ได้นะบางดีเสียเงินเสียนั่นอย่างโนนี้อยู่ๆก็ทําใจให้ช่างหัวไม่ได้ปล่อยวางก็กลับมาเป็นสว่างก็ว่างๆใจว่างๆท่านตัวว่างๆมันมีอยู่แต่พระพุทธท่านทาแบบถาวรเลยมันไม่มีอะไรมาหุ้มหมอจิตอีกแล้วน่ะแต่ของเราเนี่ไม่รู้เพราะมันไม่รู้แจ้งวันวันหนึ่งคิดทหาเรื่องมาหุ้มจิตตัวเองทุกวันทุกวัน คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไม่เคยคิดเรื่องปล่อยวางเลยบางทีเป็นนักวิชาการก็หาวิชาการธรรมะโมหะหุมจิดอีกหละดิฉันสภาว่าจิตที่ว่างๆเฉยๆก็ไม่หาไม่เห็นคืออยู่เฉยๆอยู่กับปัจจุบันมันก็ดับไปแล้วความทุกข์เนี่ยท่านที่บอกว่าเฮ้ยจิตเนี่ยมันประพัฒสอนนะหาความประพัฒสอนมาเฉยเขาว่าจริงๆเนี่ยนิพพานมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนคือตัวปกติมันมีอยู่แต่เราอยู่กับตัวปกติน้อยเดียว แล้วมันถูกตัวกิเลสมายั่วไปทางตาดึงไปหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปแล้วก็ไปอยู่กับความคิดความปรุงแต่เราจึงพยายามที่จะมาอยู่กับปัจจุบันธรรมไม่ไปอยู่กับอดีตแต่ชาติไม่อยู่กับอนาคตอดีตอนาคตเกิดมาจากไหนเกิดมาจากจิตที่เป็นปัจจุบันใช่หรือไม่อดีตก็เกิดจากความคิดที่อยู่ปัจจุบันมันแวบแล้วไม่ทันมันมันก็ไปใช่ไหมอนาคตมันก็เกิดปัจจุบันนี้มันแวบไปไม่ทันมันก็ไป คนถ้าจะดับอดีตอนาคตเขาให้ดับที่ปัจจุบันรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันนี่เห็นอยู่ปัจจุบันมันก็ดับได้ดังนั้นพระเขาจึงสอนไว้ให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันจะสามารถ ด, ดับอดีตดับอนาคตได้คุณอยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆว่างๆเนี่ยคุณก็ไม่เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุบทานแล้วแต่ทดนี้ แต่ จ, ะจะมูกหนึ่งแล้วนะเนี่ย <c oughs> แต่ทีนี้คนทุกคนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีอันนี้หอ่อหุ้มในจิตการที่เหยาวันนี้ออกเนี่ยเพียงจากว่ารู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ยมันไม่ได้สมัยหนึ่งพวกคนในอินเดียเนี่ยเขาเลยไปฝึกจิตโอ้มันไปจมอยู่กับความคิดอันนี้ไปมันเป็นกามอันนี้เป็นความคล่ายความอยากกับรูปร่างกินเสียงทีนี้เขาก็เลยไปฝึกสมาธิไปเพ่งไปจ้องมันกดมัน แม้มันไหวมันติ่งนิ่งเป็นฌานมันว่างอยู่ตลอดไปเลยกดไว้นะจนไม่มีอารมณ์ดับสูญไปเลยไม่มีแม้กระทั่งรูปมีแต่รูปแต่เวทนาไม่มีเจ็บปวดไม่มีหายไปเลยอ่าประเทศไทยเรายุคหนึ่งสมัยหนึ่งกรรมฐานแบบพองยุคนี่ก็เคยเอามาเผยแพร่ทางเหนือนี่อยู่ก็เรียกว่าสัญญาเว นิโรธสมาบัติคือหมายว่าเข้าฌานสมาธิตัวแข็งทื้อไปหมดเลยอ่ะมีแต่รูปแต่ไม่เจ็บไม่ปวดผลักนี่ล้มตึ้งลงไปเลยนะสังขารไม่มีปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้ทางอริยธรรไม่มีอ่ะมีแต่รูปเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีขันห้าไม่มีอ่ะหรือแต่รูปรูปขัน กมๆเหมือนขมลูกฟักเนี่ยสมาธิแบบนั้นนะคือเวลาเราสะกดจิตตัวเองแล้วมันจะดับศูนย์ไปเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยที่อ่ที่เป็นจุลที่เขาค้อนมีศูนย์พิชัยพุทธศาสนามันจะมียมถึงเวลาแก่เข้าฌานนะนี่เป็นยมผู้หญิงเน่เวลาคนไปดูนะเขาจะทำศูนย์พิชัยพุทธศาสนา ทางวิญญาณะลยเอาเข็มกิ้มแกก็จะไม่รู้สึกแทงนี่เลือดก็ออกนะแต่ว่าจะไม่รู้สึกคนไหนทำแราเขาเนึ่ว่าเข้าถึงพุทธศาสนานี่โลดสมาบัติดับแล้วไม่ทุกข์แต่พุทธศาสนาไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือศาสนาพราหมณ์นี่ที่เขาเคยปฏิบัติมาแต่ก่อนนี่ทพุทญาว่าอันนี้ไม่ใช่นะผิดนะ นะฮพอแกเข้าสมาธิปุ๊บคนก็เอาบุหรี่จี้ให้ดูก็เฉยไม่สามารถเข้าถึงธรรมนะมันคนละภาวะกันอันนี้มันเป็นศาสนาพราหมณ์อนเี้ยเป็นฌานเนี่ยแต่ไม่ใช่ญานญานปัญญากับฌานสมาบัติมันีคนละสายกันสมาธิเหมือนกันแต่มันคนละแบบ แต่คนไม่รู้เดี๋ยวนี้ดันไปเรียนอันเดิ ม, ดมที่พุทธิยถาท่านว่าไม่เอาแล้วมันไม่ใช่นะแต่เราก็ไปเรียนรู้อันนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมาปฏิบัติทําเพื่อให้มันรู้อันนี้แต่ก่อนพวกพราหมณ์พวกนี้เขาไปเรียนเรียนแบบแบบหมายความว่าแบบแบบแบบเขาไม่อยากอยู่กับกิเลสไม่อยู่กับความไข้ความอยากความปรุงความแต่งก็เลยไปทําสมาธิแต่พอทาําสมาธิมันกลายเป็นสะกดจิตแล้ว ม, มันไหลเข้าไปในนั่นทันทีเป็นเรื่องของฌานสมาบัตินะฮะและกลายเป็น ลัทธิอุปนิสต์เป็นคำปีเป็นยุคของปรมาตมันเป็นอาตมันนะเป็นพรหมมันแต่ก่อนนะสมัยหนึ่งเมื่อสี่พันปีก่อนพุทธกาลเนี่ยยุคนี้เฟื่องฟูมากคนปฏิบัติธรรมแบบนี้ยเข้าเข้าสู่มหาปรมาตมันเข้าสู่อัตตาที่มันใหญ่มันใหญ่ตางเป็นภาวะแบบนี้นี่ไม่ทุกข์บางคนอยู่ได้เข้าสมาธิแล้วมันแข็งอยู่ได้เป็นหมื่นปี ตำราพุทศาสนาเนี่ยพระเราก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิไม่หิวไม้ในเวลาเข้าอ่าปริวัติกรรมเนี่ยนั่งสมาธิไม่หิวเลยคือมันผิดทางอ่ะมันไหลเข้าไปสู่สูการสะกดจิตตัวเองแล้วมันนิ่งมันดิ่งมันเป็นภาวะไปนะมันไม่ใช่การรู้แจ้งเราก็โอ้ยอัศจรรย์จังเนาะหลวงพ่อท่านนั่งได้ติดนะเจ็ดวันนี้ไม่ไหวไม่ติ่งจะเริ่มเป็นอวมพาศแล้วแน่น่ะแต่เราก็ยังเชร์เพราะเราไม่รู้เรื่องไง มันผิดทางอะเดี๋ยวแต่ก่อนฤาษีคนที่ปฏิบัติธรรมก็ไหลไปสู่กระแสไปนั่นแหละเขาไปเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นเอามาก็เลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวเป็นสมาธิเป็นชานสมาบัติก็คือนิ่งนั่นแหละดิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวโน่นนันนนเป็นวันสองวันหรือสองมันค่อยออกห้าวันเจ็ดวันสิบวันแต่ก่อนลุนตาก็เคยทำนะ ทำสมาธิแม่ขณะคือมันสามารถดิ่งและนิ่งแข็งได้ทั้งยืนได้ก่อนเนี่ยยืนก็เป็นเดินจุกลมเนี่ยคือสะก ด, ะกดจิตตัวเองแล้วทําได้เป็นจนกระทั่งว่าเขาบอกว่าไอ้นี่มันก็พ้นทุกได้แล้วก็เกิดอติเลกอาลาภศาสนาประเภทนี้เขาก็สอนกันมานานจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าท่านบวชแล้วท่านก็ไปปฏิบัติลองดูเลยว่าเออมันไม่ใจทางนะ ก็เลยมาเรียนรู้เฝ้าดูก็เกิดการรู้แจ้งใเนี่ยมันก็เลยเป็นศาสนาใหม่ที่มาไล่คลื่นลูกเก่าว่าอันนี้มันไม่ใช่นะพุทธธรรมเนี่ยมันปฏิวัติศาสนาพราหมณ์พราหมณ์ก็คือศาสนาที่มันยังงมงายอยู่กับสมาธิที่ไม่รู้จริงนะก็เลยมาเกิดศาสนาใหม่มาสอนทีนี้พวกพราหมบัญจวกคีเขาก็ทําจริงทาจังเนาะเห็นพระพุทธเจ้าหันมากินข้าวกินน้ํานะ มีอะไรก็กินกินนมวัวกินอะไก็ท่านเกิดกินไปตามเนื่อแล้วก็เวลามาเฝ้าดูจิตมันก็เห็นปรากฏการณ์นี้แล้วก็เกิดการรู้แจ้งกิเลสตัณหามันก็โหดตัวโอ้มันเป็นงี้เนาะท่านก็มาขยายแจกแจงอุปาทาวาพิกเวตาธาคาตาณังพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะก็เป็นอย่างนี้แต่พุทธเจ้าตถาคตเนี่ยเป็นคนมาจําแนกแจกแจงมาบอกมากล่าวมาแนะนําว่าอะไรคืออะไรท่านก็มาแย่งฟังอันนี้สตินะอันนี้สมาธินะอันนี้จิตนะนี่ความคิดนะ ในสังขารนะอันนี้นวิญญาณนะอาจารบอกต้องทําอันนี้ไปดับตัวนั้นตัวนี้ท่านบอกเราก็เลยเกิดภาวะอันนี้ขึ้นมาเอามาสอนมาบอกมากล่าวกันที่มันมีอยู่อันหนึ่งอะสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจเนี่เขาเขาไม่เรียกว่ากิเลสธรรมดากิเลสมันมีสองแบบนะกิเลสที่เข้ามาต่างๆาหูจมูกลิ้นกายใจปกติอย่างที่เราไปเนี่ยอันนี้มันอยู่ตื้นๆอยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาเราฝึกสติระดับหนึ่งเนี่ยเราจะกั้นได้มันไม่เข้ามาก็ได้ ไม่คิดก็ได้เรื่องนี้ใกล้ๆเนี่ยแต่ที่อยู่ในใจเนี่ยฝังอยู่ในจิตลึกๆเนี่ยไม่มีทางเอาออกไม่เป็นหรอกถ้ามันไม่เกิดปัญญายาณมันไม่ออกนิสัยสันดานเดิมเนี่อยนออกไม่ได้เคยโกรธเคยเกลียดเคยรักเคยชังใครเนี่ยแกะไม่ออกนะฮะยังผัวโยมเมียโยมเนี่ยตายเนี่ยลูกตายเนี่ยเขาโทรโทรศัพท์อโอ้ยลูกตายแล้วลดความตายโอย้ไม่ได้หรอกเนี่ยน้ําตาไหลเนะี่ยวิ่งตาตีไปแล้วเนี่ย นะกับบาโนะทุกอย่างนั้นนี่มันเฉยไม่เป็นทั้งที่มัน<า>เป็นเพียงรูปแต่มันก็ททำใจไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เกิดปัญญายานไงนะมันดับไม่ได้ น, ดไดนั้นเราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันเกิดวิปัสสนาไง เขาใช้คำว่าวิปัสนาวิวิแปลว่าวิเศษแจ้งต่างปัสจณาเป็นพจน์เห็นต้องเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาก่อนเห็นแจ้งในรูปในนามนี้ขึ้นมาก่อนแล้วมันจะสลายอัตตาตัวตนที่มันเข้าไปก่อวอดที่มันมันไปติดมาตั้งแต่ที่ดวงตาว่ามันเป็นพบเป็นชาติที่มันฝังอยู่ในจิตติตจพบพบก็คือที่อยู่ของจิตพบภูมิคือที่อยู่ของใจ ใจของเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ตายแล้วก็ไปอยู่นะคือหมายว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละเหมือนตายแล้วไปอยู่คือแต่ว่ามันพูดผิดจังหวะหน่อยคือเราเนี่ยเราที่รังสะสมสะสมไว้มันก็หายไปแล้วในใจน่ะแต่ว่าพอเราเราก็รู้เนี่ยว่ามันอยู่ในใจเนี่ยอย่างรักใครชังใครเนี่ยเราอยู่เฉยเฉยมันก็แวะไปอยู่เรื่องนั้นไปเดี๋ยวไปอยู่เรื่องนั้นอยู่เรื่องนี้เดี๋ยวก็อยู่ในครัวบ้าง อยู่ในโรงอาหารบ้างอยู่ในที่ทํางานบ้างอยู่ในเนี่ยมันเป็นพบของเราอะ่ะมันเป็นพบภูมิที่อยู่ของจิต ท, ที่เราไปสั่งสมไว้เนี่ยมันไปทั้งอื่นไหมมันไม่ไปหรอกมันไปอยู่แถวแถวนั้นแหละที่เราเคยไปทําอะไรมันก็อยู่แถวนั้น่ะ<ๆ>ทีนี้ก็มีอุปทานก็นคือยึดติดก็ยึดติดอันนั้นแหละมันไม่ออกอะมันไม่เห็นว่าอันนั้นเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเฉยๆมันไม่เป็นเขาจึงให้มีการปฏิบัติทำให้เกิดวิปัสนาญาณวิปัสนาแปลว่าการรู้แจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งจะเกิด เกิดวิชาวิชาวิชาไปหาความรู้แจ้งต้องมีความรู้แจ้งแบบสามอย่างเกิดขึ้นในจิตสร้างจังหวะดีนะฟังไปเนี่ยความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆฟังหลวงตาพูดนี่จะไม่ได้อะไรแต่ที่จะเกิดการรู้แจ้งคือเธอทั้งหลายนี่ต้องรู้สึกตัวขณะที่ทำเนฟังเพราะฟังเนี่ยเข้าใจเฉยๆแต่ไม่เกิดการรู้แจ้ง มันจะเข้าใจใช่ไหมเหมือนเราไปฟังนักเรียนฟังครูฟังอะไรพูดเนี่ยแหละฟังแต่เราจะเข้าใจแต่นี้เขาไม่ใช่ให้เข้าใจเนี่ยเขาจะให้เกิดการรู้แจ้งรู้แจ้งไม่หมายความว่าเข้าใจไปไม่ใช่คนอันนะอนั่นจึงเน้นให้ทํำเยอะๆไงให้เกิดการตัวรู้เนี่ยมากๆทีนี้มันจะรู้แจ้งได้ก็ด้วยอะไรด้วยการทําความรู้สึกตัวรู้เฉยๆก่อน เดี๋ยวนี้คือยกมือนี้รู้รู้สึกตัวรู้กายความทุกข์นี่เกิดที่ไหนเกิดที่จิตจิตมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายนี่อยู่ที่กายงั้นเราก็มาเฝ้าดูกายนี่เหมือนเราเฝ้าดูถนนนี่จะเห็นรถไหมมันวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมเห็นนะมันวิ่งไปวิ่งมานี่จะเห็นงั้นเรามาอยู่ที่อยู่ที่กายนีนเฝ้าดูกายเห็นไหมมันคิดเห็นไหมเวลามันคิดแวบไปเห็นไหมเห็นมันง่วงเห็นไหม เห็น น, ะน่ะในมันมีปรากฏการณ์ของมันอยู่ เ, <ป>เราเฝ้าอยู่ที่ถ้านี่แหละมันเข้ามันออกเราจะเห็นดงั้นเราก็ระ ล, ลึกรู้อยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้นะระ ล, ลึกรู้อยู่เรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆม<ป>นเริ่มค<ป>ิดมันคิด<ป>แล้วก็ไปทําตามมันอ่ะ เ, <ป>เดี๋ยวมันคิดถึงละละอันนี้มันเคยไปนะ่ะเราจะเห็นรอยมนะันน่ะ มันแวบไปหาคนนั้นแล้วแวบไปหาคนนี้แล้วแวบไปหาที่ทํางานแล้วเราก็ไม่สนระลึกรู้ไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะหนึ่งที่คุณรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะกระทบกับไอ้ไอ้ที่มันแวบขึ้นมานี่นะแล้วจะเกิดการสับปะเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยแล้วไอ้ที่ฝังอยู่ในใจน่ะที่ติดอยู่ในใจลึกๆนี่มันจะสลายหายไปมันต้องเกิดการรู้แจ้งนะไม่ใช่การเข้าใจนะถ้าเข้าใจในพอปล่อยวางได้หน่อยๆ แต่ถ้าเกิดการรู้แจ้งนี่คือมันมันสัมรอดกันเรียกว่าการสัมรอกกิเลสโยมเคยเห็นหมามันกินหญ้าไหมหมากินหญ้ามันกินหญ้าถ่ายไปเนี่ยมันกินหญ้าหญ้าอะไรที่มันกินเนาหญ้าอะไรเคยเห็นไหมมันกินเพื่ออะไรือด้วยความอร่อยไหมแต่มันกินเพื่อ เอาเอาเอาเอามันมีปัญหาข้างในมันแมันกินเพื่อเป็นยาเขามันนะฮะอมันเป็นยากินยามันเพื่อจะสํารอกของเสียที่มันกินผิดไปกินของเน่าของเหม็นของอะไรเข้ามานี่นะะกินยางมย่าเนี้ยยางเส้นอนี่ยกินโน่นกินนี่เขามันจะอาเจียนออกมันต้องกินพวกนี้ยแล้วมันจะอันนี้จะออกมาเขาเรียกว่าการภาษาพระเขาเรียกว่าการสํารอกบ้านเราเรียกว่าอาเจียน การปฏิบัติธรรมเจริญสติพระเกิดการรู้แจ้งมันจะเกิดการอาเจียนทางความคิดมันจะไหลออกมาของมันเองน่ะอสิ่งที่เราสะสมเนี่ยมันจะหลุดออกมาน่ะแล้วหลังจากนั้นเราเคยรักใครมันจะไม่รักตายที่นี้ทีนี้รักแบบหัวปักหัวปั๊มที่โยมเคยเป็นเน่ยมันจะไม่เป็นเคยเกลียดใครมันก็ไม่เป็นน่ะมันจะไม่เกลียดมันจะหายไปมันจะเฉยเฉยคือมันจะกลายเป็นเป็นรูปธรรมชาติเนี่ย โอ้คนนี้ก็รู้จากการกระธรรมดาคุยกันแต่เขาเกิดเขาตายเป็นธรรมดาเขาก็ธรรมดามันไม่โกรธไม่เกลียดมันไม่ได้หลังเห็นลูกเราอย่างเงี้ยทามันเกิดการรู้แจ้งมากๆนะถ้าเห็นลูกเราป่วยตายมันก็ไม่ได้คิดอะไรเ็เก็ธรรมชาติน้ะรูปเนาะเกิดมันก็เป็นนี้แหละเดี๋ยวมันก็เสื่อมสลายตายจากเป็นธรรมชาติจิตมันจะมองเห็นที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยธรรมชาติมาเองหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวนี้จะว่าแต่ลูกหลานเลยหม้อแตกใบหนึ่งก็ทุกข์มากแล้ว หลวงตามไปปฏิบัติโยมบ้านหนึ่งนี่มนต์ลงตาไปปฏิบัติทําแบบนี้แหละก็คือไปสอนอบรมบ้านเขาก็แต่งไว้สวยเชียวยังเขาลีสอัดนะะเลยให้โยมไปเดินโยกรมพอเดินโยกรมแล้วไม่ค่อยพอใจอ่ะวาไเหยียบหญ้าบ้านกูตายหมดนะเดินจุกรมนี่น่ะไม่ค่อยพอใจทุกกลายเป็นคนหวงหญ้าขึ้นมาในทีอ่ะ ยากูยากกูคือจะให้โยมเดินและรู้สึกตัวนี่นะไม่ได้มันคิดคิดมากก็เลยว่าเอ้าเราเป็นคนเนี่ยปลูกไว้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ต่อการดับทุกข์ไม่ใช่ปลูกเพื่อส่งเสริมให้เราทุกข์ให้เรายึดมั่นถือมันมากขึ้นปลูกเพื่อให้เกิดการปล่อยวางอ่ะ ควายเนี่ยมันมีหญ้ามันยังไว้กินเลยคนเนี่ยไว้เพื่ออะไรเพื่อดูสวยงามเสดงม่าโง่กว่าควายนะนะแต่ถ้ า, าไว้เพื่อทำความรู้สึกตัวทั่วไปเพื่อเกิดการรู้แจ้งเนี่ยจะได้ไประโยชะนะ์นะจะหาว่าหลวงตาว่าให้อีกและไม่ใช่ว่าว่ า, าให้จิตที่มันงงงู้นนั้นต่างะากนะเอภัยมาเขาก็ปล่อยวางได้นะคือใจเนี่ยพอมันเกิดการรู้แจ้งมันจะหายไปยม สามีที่มีปัญหาที่มันออกนอกบ้านดีๆนะโยมปฏิบัติรู้แจ้งซะแล้วปล่อยมันต่อไปโยมจะบอกเอาอีนางนั้นมันอยู่ด้วยเลี้ยงลูกด้วยเลยสบายแหละกูต่อไปเนี่ยไม่มีปัญหาเี่แต่ตอนนี้มันไม่ได้นะตายเป็นตายนะขณะกูอยู่เนี่ยมึงย่ยให้มีเป็นอันขาดนะตายข้างหนึ่งนะเอามาเนี่ยมันคิดอย่างนั้นนะแต่ปฏิบัติทําแล้วมันสบายคือเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเลยจิตเนี่ย มันจะทําลายภพชาติที่จิตเราไปติดอยู่นั้นนหละเคยยึดมั่นถรือมันมันไปเกาะอยู่ที่ไหนภพก็คือมันภพภูมิภูมิเนี่ยมันอยู่ภูมิไหนภพไหนอยู่ภูมินั้นใช่ไหมภูมิมีําเนาแถวนั้นใช่ไหมแถวนี้ใช่ไหมจิตมันติดเรื่องไหนอะเรื่องราคะหรือโทสะหรือโมหะหรืออยู่ยังไงเนี่ยมันจะหลุดออกไปเองอแต่ขอให้มันเกิดวิปัสสนาอันนี้วิปัสสนาแรกนะธรรมะที่มันเกิดเรียกว่า ปุเพนิวาสานุสติยานปุเพแป ล, ปลว่าปุเพามาแต่ปุเพชีวิตนี้ได้มาจากปุเพปุเพคือเออการก่อนนิวาดรู้จักไหมนิวาดแปลว่าฮะนิวาดนิวาดสถานแปลว่าเออที่อยู่ นุสติอนุสติว่าสติละลึกรู้ที่อยู่แต่การก่อนของจิตแต่การก่อนของจิตก็คืออย่างที่หลวงตาว่าเนี่ยเมือ่อสิบยี่สิปีมันไปคล้องอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตั้งแต่เด็กเล็กๆขึ้นมาน่ะมันไปจําความนั้มันไปทําอะไรกับใครมันฝังใจอ่ะพอมันเกิดยานโดยนี้มันจะเกิดการรู้แจ้งอันนั้นอันนั้นจะหลุดออกไปจากจิต มันจะไม่มีเนะ่ยทุกมันก็ไม่เกิดอันนี้อันอันดับแรกต้องเป็นอันนี้ัน้นอันหนึ่งเนี่ยอย่างราคะเนี่ยมันมีมากร่ยมันจะสะสมเมื่อเรามีตัวตขนขึ้นมามันน้อยแต่เรื่องความงมงายเรื่องพูดผีเนี่ยมันเป็นตอนไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเนี้ยกับกรมอันไหนเกิดก่อน คำนะเกิดก่อนมันฝังมาลึกๆแต่พวกพูดผีปีศาจพวกอะไรน่แต่มันเกิดที่หลังอันเวลาเกิดการรู้แจ้งอันนี้มันจะหลุดออกก่อนไอความงมงายนี่เรื่องพูดผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์อะไรนี่อันนี้มันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเรื่องเด็กอมมืออันนี้มันจะหายไปมันจะหลุดออกไปจากใจเลยแต่ท่นไหคนไหนที่มีเยอะๆก็แสดงว่าเขาเข้าถึงทำยังไม่เป็นนหละบางคนนะไปปฏิบัติธรรมพระเต็มคอเลยนะ เดินจุกลมคนหนักดังเชี้งชี้งชี้งชี้งอ้าเรารักษาพระหรือพระรักษาเรานี่เวลาเข้าห้องน้าห้อยไว้ลืมไปเสียบเสื้อผ้าว้ายพระคุณอะวิ่งมาหาพระอีกต่างหากแสดงว่าเรารักษาพระหรือพระรักษาเราใครเป็นทุกข์เราเน่ยแต่เราไม่เข้าใจเพราะเราคิดเนี่ยเราคิดว่าเราพึ่งพระที่จิตมันไปพึ่งนั้นมันไม่พึ่งตัวรู้ไงไม่พึ่งปัญญายาณทั้งที่เรามีปัญญายาณตัวนี้อยู่แต่เราไม่ทํา แเราปฏิบัติธรมเนี่ยจะทําให้มันเกิดวิปัสนาญาณอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ญาณแรกในของผู้ที่ชอบที่ปฏิบัติฉันปฏิบัติโยมปฏิบัติเจ็วันโยมพฤติธรันนี้ได้ภายในเจ็ดวันเนี่ยโยมต้องทําตัวรู้นี่ให้ต่อเนื่องเฉยๆโยมอย่าไปอยู่กับความคิดไปคิดมันก็จะเข้าในภพภูมิความคิดอีกละความคิดี่ไปตามไหนไปตามสมมุติที่เราสะสมมาในอดีตถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะมันก็คิดตามหนังสือธรรมะ มันก็เข้าไปในนั้นเป็นนักวิชาการซะอันนี้เขาไม่ให้เป็นนักวิชาการเนี่ยจะให้เป็นนักปฏิบัติการเนี้ำมันนั่นก็ห่วงบ้านห่วงเรือนก็แวะไปในภพภูมิบ้านเรือนซะอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แบบนั้นนะเมื่อวานเอาแบตโหนขึ้นไปขุดดินที่วัดที่เชียงใหม่ขุดไปขุดมาขุวันเมื่อวานเขาจะเสร็จเขาขุดได้สิบวันละเขาก็เลย เอาไก่ไก่ต้มสองตัวไปบนบานมันมีศารเจ้าอยู่เนของชาวบ้านองตาซื้อที่ดินจากชาวบ้านเขาเขาจะไปบนบานสารกล่าวคือเลี้ยงผีเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางก่อนจะยกยรถกลับรถไถรถแท็กซี่เนี่ยเอาไก่มาสองตัวเพราะเป็นสองคนน่ยรถไถคันหนึ่งคนหนึ่งเป็นรถไถ อีกคันหนึ่งเป็นรถแบกโโฮลรถฟอร์ดรถแบ็คโปรากฏว่าว้ายเสร็จนะเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปนั่งรถแบกโฮก็ตักพระกะเดินผ่านไปแต่หมาวิ่งตามพระไปสองตัวมันเลยไปคาบเอาไก่ตัวละคนคนละตัวหมาตัวลตัวหนึ่ง วิ่งออกมาคนขับแบ็คโฮสายใบนั่นมาเอ้ามันเอาไปกินแล้วมาเอาไปกินแล้วเจ้าที่กูยังไม่กินเลยเอาไปแล้วเจ้าที่ยังไม่ได้กินเลยเจ้าที่ก็ยังไม่ได้กินนะเขคิดว่านะเพิ่งเอาให้เพิ่งถวายเสร็จนะดวงตาเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกดวงตาเล็งยาดูแล้วเจ้าที่กินแล้ว เราก็ไม่รู้หว่ากินหรือยังเดี๋ยวว่กินแล้วนะโอ้ยหลวงตาผมว่าผมจะรับเสด็จเจ้าที่อยู่นะคนขับแจ้าเตอร์สองคนด้นหลังนั้นจะเอาคนละตัวคิดไว้น่ะเพราะว่าวันนี้ไม่เอาข้าวมาเลยบนบานซานเก่าขับรถสักชั่วโมงแล้วจงมาเอาจะลงมาเอาไก่ปรากฏว่าหมามันไม่กลัวเจ้าที่มันเอาไปกินเลยหมาไม่กลัวในเจ้าที่นี่มันเอาไก่ไปคนละตัวเลยงั้นคนขับไปโห่ก็เลยโอ้ย แย่เลยได้อภิษฐกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกไม่ได้กินหมามันไม่มีกลัวเจ้าที่นะแต่พวกเราเนี่กลัวเจ้าที่เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางไม่กล้าหมามันคาบเอาไก่แล้วยังเยี่ยวรถเจ้าที่อีกต่างหากพอเราไปสมมุติมันขึ้นมาไงสมมุติว่าขลังสมมติว่าศักดิ์สิทธิสมมติว่าเป็นนั่นเป็นนี้เพราเราไม่รู้แจ้งแต่หมานี่มันไม่รู้เรื่องแต่มันไม่กลัวะแสดงว่าเราโง่ โอ้ยอพูดไปกว่ามานี่มันเป็นไอมันปานนั้นจริงๆนะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมจะเลิญสติเราเป็นคนเดียวเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มีความรู้สึกตัวหมามีความรู้สึกตัวไหมมันเห็นความคิดมันไหมมันไม่เห็นแต่คนนี่สามารถเห็นเออโกรธแล้วนี่มุนยิดแล้วนี่คนเห็นแต่หมามีแต่สัญชาตญาณสัตว์มนุษย์ที่มันมีตอนนี้ฉนั้นเราเกิดมาในเป็นสัตว์มนุษย์ เราต้องสามารถมาพัฒนาความรู้สึกตัวนี้ไปสู่ปัญญาญาณแล้วเกิดการรู้แจ้งได้เกิดวิปัสนาได้สัตว์อื่นเขาทําไม่ได้แต่คนเรามันไม่ยอมทําวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดมาก็อยู่แต่ความโลภกอดลงแล้วก็ตายไปกับกิเลสอยู่แบบนี้จมอยู่ในภพในชาติที่ที่พระเจ้าท่านพูดอย่างเงี้ยนั่นแหละรอทําบุญเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญให้คนนั้นตายไปแล้วคนบุญเฮ้าทำบุญนี่เขาทําบุญหานะไม่ใช่ทําบุญให้ถ้าทําบุญให้ทําบุญตอนเป็นๆนี่ยังไม่ตายเลย ถ้าทําให้นี่ได้เลยไปซื้อต้มไก่มาดีถวายพวกนี้ได้เลยนะแต่ถ้าทําบุญให้เนี่ยทําบุญหานี่จะเห็นไหมโยมตายแล้วก็บอกว่าเอ้ยลูกทําบุญหาแม่มานะมันจะเห็นเหรอมันไม่เห็นหรอกเพราะเราไม่รู้ไงะที่แน่แน่ก็คือพระได้กินนะแต่เราดิวิญญาณเราจะได้กินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยทําไมไม่ทําปัจจุบันนี่เอ๋อ หลวงตาพูดแบบนี้พรุ่งนี้ผมไม่มาทําบุญนะนี่ก็ช่างก็ช่างก็ช่างใจนะช่างใจช่างใจดูถ้าไม่ได้กินคนนี้เนี่ยก็สอนกันต้องตงสอนดับทุกเนี่ยเอ้ามันจะเอาไหมล่ะทุกเนี่ยทุกเพราะอะไรไม่ได้ชุดจากที่อื่นนะทุกจากจิตเราเนี่ยแล้วก็ฝึกสติเราแล้วก็สลายอันนี้คนไหนดับตัวนี้ได้แล้วก็ทําอีกทําอีก คือความรู้สึกตัวที่ดับทุกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดการรู้แจ้งมันสามารถเป็นอาการลิโกดับได้ไม่เลือกการเวลาถ้าเรารู้สึกตัวต่อเนื่องตอนไหนมันก็เต็มตอนนั้นมันก็เกิดการรู้แจ้งในตอนนั้นมีโยมคนหนึ่งมาพูดมาคุยด้วยเนี่ยเขาบอกเขาอยู่เชียงรายเนี่ยโอ้ยหลวงตาวันก่อนไปโกรธพระในวัดมีน้อยมินี่เดินไปนึกถึงพระเขาไม่ทําให้ปฏิบัติธรรมนันก็คิดมากแต่ก็กําหนดรู้อยู่เลยดูใจดูใจไปก็เกิดไปสว่างตอนทําไรนั่นแหละเนี่ย คือกำหนดรู้ถ้าดูอยู่เรื่อยมันก็จะเกิดปัญญาได้อยู่เรื่อยๆแต่บางคนเกิดได้น้อยแต่บางคนเกิดทีเดียวพรวดเดียวสิ้นทุกเลยอย่างพระเจ้าเนี่ยดับภายในวันหนึ่งก็จบเลยตอนเย็นเกิดปุเพนิวาสารสติญาต์ตัวนี้แล้วตอนเช้าก็เกิดการรู้เจ่นสิ้นทุกหมดดังั้นคนเราเกิดมาเนี่สามารถทํานี้ได้อยู่แต่นี้เราสอนออกนอกเรื่องเกินไปไปไกลเกิน หรือปฏิบัติธรรมก็อยากได้สมาธิแบบนู้นแบบนี้ไปแต่ไม่เน้นที่การรู้ตัวไม่เน้นที่สติที่จะเกิดบางทีก็กลายเป็นศาสนาพราหมณ์ไปซะไม่ใช่เป็นพุทธะมันไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวไม่ตื่นไม่เบิกบานอันนี้รู้นะนี่ทําให้มัรู้นี่รู้เลยจิตมันจะตื่นหรอกไปถูกจังหวะหนึ่งมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเบิกบานแจ่มใสมันจะเข้าใจโอ้คําสอนพระเจ้าเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อไรที่สติอันนี้อันนี้ ที่ความรู้สึกตัวอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าอยากปฏิบัติธรรมรู้แจ้งต้องมีสติรู้ตัวต่อเนื่องรู้สึกตัวยังไงเราเดินก็รู้สึกเรานั่งก็รู้สึกเรานอนก็รู้สึกทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวทีนี้เขาก็มีรูปแบบออกมาบางคนก็รู้สึกตัวกับลมหายใจเรียกว่าอาณาปานะสติสติรู้กับลมหายใจลมหยาบลมละเอียดเข้าสั้นหน่อยรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทํามันไม่หลับนะมันจะก็เกิดการ ตื่นตัวรู้แจ้งขึ้นมาน่ะทุกมันก็จังเป็นแบบนั้นเหมือนกันบางคนรู้อยู่กับโลการเดินจุกรมเดินไปเดินมาถ้ามันไม่หลับก็เกิดการรู้แจ้งเหมือนกันบางคนพองยุบพองไปก็เกิดการรู้แจ้งแต่ว่าอย่าเน้นอย่าให้มันหลับปัญหามันอะใหญ่มันฟุ้งซ่านให้มันรู้ตัวต่อเนื่องส่วนมากบางคนทําชั่วโมงเดียวแล้วมันจะเกิดรู้แจ้งเหรือ มันไม่รู้แจ้งแต่บางคนก็แจ้งนะชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่บุญบรารมีที่เขามีมาบุญบรารมีเขาหมาว่าบางคนมันใจดีอยู่แล้วนะมันไม่ค่อยโกรธอยู่แล้วนะเวลาทำมันก็เกิดรู้แจ้งไวแต่บางคนทิฏฐิมานะราคะตัณหาในจิตมันเยอะมากแล้วมันจะรู้แจ้งเหรอมันทีทำสิ ป, ปียังไม่หลุดเลยนะนิสัยเดิมๆ ม, มันน่ะมันต้องขุดเงา่ารากเง่าถุดขุดร า, รากถอนโคนมันถึงจะออก มันต้องเกิดการรู้แจ้งจริงไม่ใช่เพียงแต่รู้สึกตัวน้อยๆได้จะดับทุกได้มันไม่ดับหรอกมันกั้นได้สติเตสังนิวรังกั้นนิวรณ์ได้แต่ว่าวิปัสนาญาณจรงจะทําให้จิตหลุดผลมันต้องเกิดสติเนี่ยใหม่ๆก็รู้สึกตัวธรรมดาแค่เห็นความคิดดับความคิดได้น้อยแต่การรู้แจ้งในความคิดที่มันต้องมีมากกว่านี้เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่แปลว่าเยอะสติเยอะสติใหญ่สติมากรู้สึกตัวทุกพร้อมมัน กิเลสไม่สามารถเอาไปกินได้แต่สติน้อยๆเนี่ยมันดับไม่ได้หรอกจะไปนั่งหายใจนิ่ๆน้อยๆโอ้ยไม่ได้แล้วตื่นมานั่งสลุมสลืออยู่ก็พอมันไม่พอฉันเจ็ดวันเนี่ยตายเป็นตายนะพระมานี่เราเตรียมสวดกุศลามาหมดแล้วทำชาวพระนกิจสวดให้ญาติให้โยมเผาเอากระดูกกลับบ้านพระก็ยินดีนะถ้าตายในงานนี่ก็ถือว่า เราจะเอาผ้าเหลืองห่มให้ตายในหน้าที่เอาจริงๆนะเอาใครดีใครอยู่แบบนั้นแหละเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยพวกไปลบปากใต้เขาจะได้เอาทงห่มไงใช่ไหมตายในหน้าที่น่ะปากใต้ของเราก็มาตายในศาสนาเนี่ยทาไมจะเอาผ้าเหลืองห่มไม่ได้เนี่ยเอาให้มันเห็ดดำเห็ดแดงกไปว้างดิให้กีเดทมันตบหน้ามานานแล้วั้แต่เกิดมานี่ยลอกูมาตั้งนานมาถึงวันนี้กูก็จะเอาจริงกับมันละประมาณนั้น แต่กลัวกลัวอย่างเดียวโยมไม่จริงนั้นแหละเดี๋ยวนี้สู้กันพระผู้อาตมาก็กำลังฝึกกำลังฝนก็ตั้งใจเหมือนกันเนี่ยฝึกมากโยมก็ฝึกฝึกด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องช่วยกันดูแลกันบริษัทเดียวกันเนี่ยเอายมพนิยงง่วงหร้อเป็นอย่างนี้นะแก้ไขนี้คนนั้นเป็นเนขาช่วยกันดูแลให้มันเกิดปัญญาเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่สอนไปเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ไม่ได้ให้เชื่อนะแต่ช่วยกันพิสูจน์พิสูจน์หลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสลายได้จริงไม่ทุกเนี่ยความโกรธอย่าไปยุ่งมันปล่อยไว้นั่นแหละความโลภกลัหลงไม่ต้องสนรู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกไปเรื่อยนี่ประคองความรู้สึกตัวดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อให้เห็นเรื่อยนะแล้วการรู้แจ้งมันจะปรากฏเกิดขึ้นตามระดับเขาเรียกว่ายานยานแปลว่าความอย่างอย่างมันจะรู้ก่อนที่มันจะคิดด้วยซ้ําไปจิตตันนี้แต่อย่าไปจ้อง คนส่วนมาเวลาพูดให้ฟังเลยอยากได้พรอยากได้ก็เอาจริงเอาจังเอ า, เอาไปนอนแผ่ลาเลยรบางทีไม่ไม่เอาแล้วเพไม่มีบุญฟุ้งซ่านเจ็บหัวเนี่ยมันทําผิดพ<ง>ี่ไหอันนต้องมีพระพิเ<า>ดียงคอยดูแลคอยอบรมคอยแนะนําให้โ ย, ย, นะยมอย่าไปทํามากนะโยมอย่าไปทําน้อยนะโยมอย่าไปง่วงนะอย่าไปหลับนะสู้นะโยมอย่า ก, กินมากนะเนี่ยช่วยกันบอกกล่าวเรื่อยๆนะ ถ้าช่วยกันอย่างนี้เนี่ยาศาสนานี้มันจเจริญการรู้แจ้งเนี่ยจ ะ, จ ะ, จะเจริญคนฝรั่งเข้ามาปฏิบัติธรรมเนีเขารู้แจ้งเอ า, เ<ร>าและแจ้งเอานะเ<ร>ามาที่เขามาเอา้าวตอนนี้เขาทำสมาธิได้แล้วเนี่ยมันรู้ตัวตัวหนึง่งแล้วจะทำไงจึงจะเกิดปัญญาญาณของเราไปวัดไหนวัดไหนก็ถามหาแตตุต่วบริจาคอยากทำบุญทาทานทำ บ, บุญทานเลยไม่เกิดปัญญาสักทีนะ อันนนเกิดทานก๋วยฉลากอยู่นะสกลนครนั่หรอกไม่ใช่แถวนี้หรอกทำโนวนทำนี้หยุดมันก็เลยไม่ได้ซากทีมิจตบุญมิจตบุญเลยหนักบุญไปไหนก็แบกบุญไปอย่างนั้นแหละนะบุญก็ต้องหาบาปก็ต้องหานทำดีมันก็คิดติดความดีทำชั่วมันก็ติดความชั่วจิตนี่นะทีนี้เราทำแต่ว่าจิตไม่ให้มันติดจะรู้สึกตัวไว้ทำเฉยๆไม่ให้ใจมันไปผูก ทําสักแต่ว่าอย่างเรายกมือนี่ไม่ได้ทําดีทําชั่วนะนี่รู้สึกเฉยๆนี่มันคิดมันคิดแต่กลับมารู้สึกตัวนี้นะถ้าเดินไม่ไหวมันจะรับก็นั่งนะนั่งทํานั่งกลับไปก็มันถึงง่วงเบื่อเดินกลับไปให้รู้สึกตัวนี่เนี่ยตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนทํำไงก็ได้ลวงตาไปเห็นพระทั้งเหนือนี่เขาจะนับลูกประคำเนาะเนี่ยนับอย่างไรเขาก็ให้รู้สึกตัวนี่แหละนี่รูกลูบสึกนี่รู้เยอะๆรู้แล้วมันต่อเนื่อง รูเนี่ยมันก็จะเกิดการรู้แจ่มเหมือนกันแต่ว่าให้รู้สึกตัวนี่นานเข้านั้นเขามันจะสว่างว่าบมาที่จิตเนี่ยเพราะเรารู้สึกตัวเนี่เอาอะไรรู้เฮ้เอาอะไรรู้เอาจิตนะจิตนะมานําทําหน้าที่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยบางคนเขานั่งทํำนี้นะเคยเห็นไหมนี่เคยเห็นไหมเคยเห็นบางคนเขาทํำนี้นะรู้สึกนี่บางคนเขาก็ทําอย่างนี้นี่รู้สึกตัวนี่ขึ้นนั่งรถก็ทํำนี้นะ รู้สึกบางคนก็ทำอยารู้สึกให้รู้สึกให้มันต่อเนื่องนั่นเองสติเนี่ยต่อเนื่องแต่ไม่ใช่เพ่งนะบางคนเดี๋ยวค่อยได้โรงาบาลอันนี้อย่าไปจ้องมากเหมือนเขาทำนะยกสนนออย่าไปจ้องจ้องพะนั้นนะไม่นานหรอกน้อยกูเบื่อนอนดีกว่าแบบเมื่อยคือเราไปจ้องนั้นเราทำด้วยความอยากไงมันอยากอยากรู้สึกน่ะ มันจ้องมันโยงเนี่ยทำแบบธรรมชาติด like. ินะทำแบบธรรมดารูประคองทำอานี้นี่นี่นีเนี่ยขยับได้ไหมขยับได้ไหมนี่มันขยับได้ท่านี้ขยับได้ไหมไม่ได้จิตเหมือนอันนี้นี่ให้มันคิดกระชังมันเถอะแต่ให้มันขยับไปขยับมาได้อย่าไปให้มันนิ่ง มันคิดบ้างแหละกระช่างเนอะแต่ให้รู้ว่ามันขยับแบบไหนเนี่ยประคองเขาเรียกว่าประคองจิตอันเนี่ยประคองสติไม่ใช่ไปกดนี้กดนี้ปวดหมดนะเนี่ยถ้ากรรมไว้วันหนึ่งหรือสิบชั่วโมงเนี่ตายพอดีนะเหมือนกันน่ะเดินช้าช้าจ้องไม่ไหวพอวิ่งก็วิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยวิ่งจงกรมก็ได้เดินก็ได้ยกมือยกแร้งก็ได้นะยกค้อยก็ได้แต่บางคนมันเฉลับยกแบบนี้อยู่ก็มี ไม่ลงสักทีคนจนคนไอจริงสร้างจันี่ไม่ให้ทําแบบนั้นอันนี้มันมันเผลอไปแล้วออันนี้แหละเนี่ยโยมาศาสนามันจเจริญเพราะอะไระเพราะเกิดการรู้แจ้งรู้แจ้งแล้ ว, ลวเราก็ไปบอกลูกบอกแล้วโอ๊ยแม่ทุกข์เพราะอันนี้นะคิดแต่นี้ปรุงแต่งอันนี้ผูกพันอันนี้แต่แม่ปฏิว่าิทามันปล่อยวางได้แล้วนี่ใส่ขี้เกียจมันจะหายไป ศีลเกิดขึ้นเองความปกติสมาธิมาเองปัญญาเกิดความเมตตากรุณาเผื่อแผ่คนมันเกิดขึ้นมาเองเพราะว่ามันไม่ได้ผูกพันอะไรกับใครเมื่อก่อนแล้วตนหนีมากเพราะจิตมันถูกพันเนี่ยบางคนหาแต่เงินหาแต่เงินหาแต่เงินหาแต่เงินก็ผูกพันพอปฏิบัติธรรมมันจะสลายสลายโอ้เป็นหนี้นี่เองน้อยชีวิตมีแต่ลูกก้มน้ำก้มเห็นจำเป็นอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะเอาพออยู่ได้เวลาที่เหลือแหละเอาไปปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดการรู้แจ้งดับทุกข์ เดี๋ยวนี้หลายๆคนมีเงินมากพอที่จะหากินไม่ต้องหาเงินจากนี้ไปถึงตายนี่พอได้แล้วเนี่ยมีสวัสดิการมีอะไรแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หยุดที่จะหามันผูกพันมากแทนที่จะไปหาส่วนหรือที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมันจริงจริงมันไม่เอา่ะมันหาแต่สมบัติทรัพย์สมบัติมันไม่หาอริยะสมบัติชีวิตเนี่ยอริยะสมบัติคือการรู้แจ้งอะเนี่ยปกติดวงตาไม่รับนะคนหกสิบปีนี่ปฏิว่าทําไมเอา เบื่อกวัวมันตายใส่สนามปฏิบัติธรรมเอาถามคนเคยไปวัดสมมันนั้นเนี่ยเขารู้จักระดีลงตาไล่ออกหมดอ่ะหกสิบปีใช่ไหมพวกฝ่ายทะเบียนรับรู้ออกไม่เอานไม่ได้เอานะเอาแต่ไปในวัดสมงมันนั้นมันมีแต่คนหนุ่มหนุ่มสาวสาวคนแต่อายุยังไม่ถึงประมาณก็สี่สิบปีอ่ะอย่างมากแต่หกสิบปีแล้วก็ไม่เอาเป็นว่าแต่ซองขาว มันยากนะเอาทดสอบดูดิปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เข้ามาปฏิบัติธรรมก็เดินจูงกมดีๆถ้าทําคนบางคนก็พิสูจน์ตัวเองนะไม่เอากูจริงแล้วกูจะทําให้ดู่ะก็เกินรู้แจ้งไปซะก็ลองเย็นทานดูซะหน่อยผ่านผ่านได้ก็ให้ทําแต่บางคนก็ก็อย่างว่าแหละคือคนที่ไปที่วัดมันรู้แล้วว่าเราไม่รับไม่รับก็คือคนที่ไปนะเกินหกสิบปีก็จริงแต่มันจะไปพิสูจน์ก็คือเราก็รับอยู่ดีเพราะเขาเก่งมาเขาตั้งใจมา แต่คนนี้ออแอนี่มันก็ไม่ไปเพี่อนผานได้เห็นหรอกนะมันไม่ไปเฮ้เขาไม่รับกูกูทําไม่ได้แร้วมันก็ไม่ไปเพราะที่นั่นไม่มีขังไม่มีศักดิ์สิษย์นะมีแต่จะให้เกิดปัญญาคนไหนไปสองวันสามวันอะไรยังสับประงกสับปะงาอยู่นี่อ่อนอ่อนแออันนั้นนะต้องจัดการละจัดการไปไหนช่วยเอาเอาไปติวกูบ้าเนี่ยคนนี้มันง่วงจัดเนี่ยเอาน้ําลาด บอกวิธีเอามดแดงมาใส่เงี้ยพอไหวไหมบางคนโอ้ยหดเหลือเกินมันไม่หัวเรากกิเลสบีบคอยอมจนตายอ่ะมันเอาอยู่นั่นน่ะคิดแล้วคิดอีกเนี่ยกับอมมดแดงใส่น้อยเดียวมันก็หายพระบวงงยังช่วยลงตาว่าต่อไฟฟ้าลงในสนามฝึกจงกลมนะคนไหนง่วงไฟฟ้าแดกเอาแดกเอาให้มันสะดุ้งขึ้นมามันตื่นตัวงอ่ะมันไม่มีหลับเนี่ยเอาไฟจี้เอาเนี่ย มืนกันที่จะมาหลับอย่างนี้มันไม่มีให้เห็นหรอกแต่นี่มันทําไปได้เนาะมันลําพูนนะนี่กลัวเขาไล่จับแจ้งตํารวจล้วุ่นวายอะไรเนี่ยจะคงได้อยู่หรอกโยมก็คนเหมือนกันน่ะมีความรักเหมือนกันความโกรธความเกลียดความชังเหมือนกันพระก็เหมือนกันฝึกฝืนอดทนต่อสู้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สู้กับใครสู้กับอารมณ์สู้กับจิตเราที่สะสมอารมณ์ในอดีตมา ในคนแต่ละคนเนี่ยมันมีแผลในที่ดี้ลับอยู่ในตัวเลยนิสัยสันดานเดิมเราเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคนนี้รักมากคนนี้ราคะเยอะคนนี้โทสะมากเดินจุกงมันจะติดแต่อารมณ์อยู่นั่นแหละมันไม่ออกก็ให้รู้ว่าโอมันเป็นงนี้เนะแต่จะไม่สนใจมันน่ะสะสมตัวรู้นี่เยอะๆทาไปเรื่อยๆมันคิดกระช่างปัดทิ่งไปรู้สึกตัวไปเรื่อยมันมีจังหวะหนึ่งดอกพอสติมันพอตัวมันจะสลายไปเองมันจะหายไปได้โดยธรรมชาติของมัน ไม่เชื่อเจ็ดวันเนี่ยลองดูนะหวังว่าจะอยู่กันครบหน้าครบตานะวันสุดท้ายนะอย่าเพิ่งไปจุติก่อนนะอยู่ด้วยกันไปให้จบงานกบกันคงได้หรอกนะอุตส่ามาไกลนะเนี่ยโยมพันธ์แกไปฝึกรูโอ้แกก็เป็นคนจริงเนาะ แกอยู right? s <S right. s <S s <S ่ที่บ้านแกแกก็ไม่ทุกข์หรอกแกอยู่เนี่ยมันดูบ้านแกแล้วเออแกมก็ไม่ทุกข์อ่ะอยู่แบบสนุกสบายสามีก็เดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวไปนู้นไปนี่อยู่เรื่อยๆมีแต่แกนั่นแหละหลอกสามีนะฮอไปอยู่วัดแล้วไปอยู่วัดมันสบายเลยอยู่วัดมันยิ่งยากแบบนี้นี่เดินจีกรมสร้างจังหวะทําความเพียนค้างคืนก็ไม่ได้รับไม่ได้นอนทำความเพียนอยู่อย่างนี้ยมันไม่ได้สนุกเลยนะ มันทุกหนอันนี้แต่ว่ามันได้อะไรขึ้นมานะนี่พอเขาเข้าใจโอ้อันนี้มันเป็นไปได้นะอยากให้ชาวลําพูนมีอยากให้ชาวลําพูนเป็นก็ลองมามาพาฝึกมหาทธลองดูเผืเ่อจะได้พกเราได้เกิดสักคนหนึ่ง เ, เกิดสติเกิดปัญญานะา เ, เกิดท้งรูปกายมันเกิดแล้วอันนี้แต่เกิดสติปัญญาเกิดการรู้แจ้งเนี่ยเนี่ ย, ยคืออยากให้มันมี ได้ยินว่าเจ้าภา พ, พาคือหลังจบงานนี่ก็คื อ, ค, อคงจะไปอยู่กับหลงตาเป็นเดือนแล้วนะซึ่งจะหนักกว่าเดิมอีก่ันตั้งอกตั้งใจนะญาติโยมนะหวังว่าคงจะจะเข้าใจที่พูดมามีใครไม่เข้าใจอยากถามไหมให้นะ้านาที อ, าอ้าโว่หลวงตาพูดอย่างนี้ฟังแล้วรู้สึกว่ามัน ขัดหูว่ะอย่างน้นีอยากถามไม่เข้าใจเรื่องนะั้นเรื่องนี้อย่าพูดอย่าคุยเสียมนาฮีหาปาติอะไรคำว่ามามีไหมไม่มีหรอกจะตอบไม่ได้นะ่ะถามมาเลยได้นะจำไว้พรุ่งนี้น่ะเราต้องมาช้าๆพวกขึ้นขึ้นมาก่อน เราจะนั่งเก้าอี้หลังๆนั่ถึงจะหลับได้ตอนเช้ า, ายิ่งง่วงเดยตัวคิดให้ดีเด้บอกโรคปุ๋นหาย ด, ดีจะขึ้นมานั่งข้างหน้านี่อันตรายอยู่เด้แต่ผู้ชายมันบังคับแล้วมันต้องได้ขึ้นมานั่งขงหน้อยู่เอาดีๆนะกันขึ้นไปก็นอนอก่อนนอนก็รู้สึกตัวหายใจก็รู้สึกนั่ ง, ลงและหลายคนในนี่ปฐมนิเทศไปแล้วนะวิธีการเจริญสติเนี่ยแต่พวกนี้เดี๋ยวจะสอนกราบสอนไหว้อะไรให้หน่อยเพราะว่ากราบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ว่เป็นประเภณนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผู้นี้กินข้าวต้มตอนเช้าประมาณหกโมงหลังจากนั้นก็คือปฏิบัติกันเลยไปถึงตอนห้าโมงเช้าก็กินข้าวครั้งนึงแล้วก็บ่ายโมงลงฝึกอีกนะไม่ได้นอนกลางวันนะกลางวันไม่ได้นอนแต่เราให้เป็นหลับในทางจุกมได้ เดินไปหลับไปได้อะไรประมาณนั้นแบบใช้ศิลปะออืแต่ถ้าทําจริงๆเนี่ยมันมันไม่ง่วงหรอกคนเก่าๆเขาดับได้เพราะเขาปฏิบัติมาแต่ละที่ที่เขาก็ไม่หลับเหมือนเดิมแต่เรานี่มันยังไม่เคยเฉยๆมันยังไม่มีอาวุธไงสติมันยังไม่มีมันก็เลยยังง่วงอยู่ดีะะนเอาละนะไม่มีอะไรถามก็อนุโมทนานะสาธุกับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้คุณโยม พันคุณโยมประโมทมันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำปนะมาจากอำเภอพร้าวน่นนะนี่เขาปฏิบัติธรรมมานานก็มโนทนาแหละนะขอให้เรามีพลังกายพลังจิตพลังชีวิตที่เกิดจากการฝึกสติปัญญาที่ได้มาจากการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเขาเนี่เป็นตบะเป็นเดชะเป็นอุปนิสัยปัจจัยสามารถเข้าถึงสัจธรรมคำสอนของพระเจ้า ในเวละระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันนี้ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนท่าน